พัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนัโมตัสสะพัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัพนัโมตัสสะพัวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสนโม ทัศภักควัตอาระหัตถุสมมาสัมปุเทศะนัโมทัศภักควัตอาระหัตถุสมมาสัมปุเทศะนัโมทัศภักควัตอระหต สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิพุทธังสรนังกัจามิธัมมังสรนังกัจฉามิธัมมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิทุติยมปิ พุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิ สังขังสารนังกัจฉานิตตยัมปพุทธังสรนังกัจฉามิตตดยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตตยัมปีธรมังสรนังัจฉามิตตดทยัมปธมังสรนังกัจฉามิต ได้ยปิสังคังสรนังกัจฉามิ ต, ามตัเไดยปิสังคังสระนังขัจฉามิปิสรณนกมินังนิทิตังอามกอันเกาบฆรวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนัสการหมู่สมะนะและปิสุธ ร, รูปด้วยความเคารพครับ เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนราชธานีอโศและอยู่ที่บ้านทุกๆคนวันนี้ก็มาพบกับรายการวิธีอริยธรรมเช่นเคยนะตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเศษถึงส1บเนาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงกับวันาทิที่2ี่ธันวาคมพศสขึ้นหนึ่งข่ำเดือนยี่ปีมะเมียนะอันนี้ก็เข้าเดือน ที่สองของปีไทยนะแต่ยังไม่ขึ้นปีใหม่ของปีสากลนะซึ่งในช่วงที่จะขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2558นั้นที่ชุมชน ร, ราชธานีโศกเราจะมีงานวิชาไราบรรดาบัณดิตบุญนิยมคือการมาสอบวิชาโรกุตละนะพิสูจน์กันว่าหนึ่งใครจะมีสมาธิที่เป็นโรกุตละบ้าง สองใครที่ปฏิบัติได้เป็นโลกุตละบ้างนะสามใครมีโลกวิทูที่รู้จักโลกบ้างนะสี่ใครบ้างที่สามารถเกือ้อกูลโลกได้บ้างโลกานุกรรมปายะนะก็มีสีลักษณะแลนะที่จะมาทดสอบกันนะซึ่งคนที่จะสมัครได้ก็ต้องถือศีลห้าระอบายมุกกินมังไสวรัตอย่างน้อยมา5ปีหรือว่าถ้าไม่ถึง5ปีก็คือ4ปีแล้วก็ ตกหล่นบ้างเล็กน้อย 10% ถึงยี่สประมาณนี้แหละนะก็ะสมัครมาได้ผู้ที่ไม่ถึง5ปีก็สมัครสมทบได้อยู่นะตอนนี้ผู้ที่สมัครมาแล้วทั้งหมดเนี่ยทีทั้งได้เข็มไปแล้วสองเข็มได้เข็มไปแล้ว1เข็มได้สองเข็มเนี่ยสมัครมาได้ยี่คนจากที่ส่งมาแล้วนะผู้ที่ได้1เข็มเนี่ยสมัครมาได้สี่คนผู้ยังไม่ได้เข็มเนี่ยสมัครมาแล้ว112คน ผู้ที่สมทบเนสมัครมาแล้ว71คนรวมทั้งหมด255คนที่ส่งมาจากศีมาโศกินภาฟ้าน้ำบุตรบโสศกผู้ผาฟ้าน้าและสารีศกนะแล้วก็รวมทั้งราชธานีศกสาหรับผู้ที่สมัครในขณะนี้ได้255คนนะก็เด็กสมาธิขาปีนี้ก็สมัครมากเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะโรงเรียนสมสาธิขาที่คุรุจะต้องมาที่นี่ ก็คงชวนเด็กสมัครไปด้วยนะอาตมาก็ไม่แน่ใจมอลหนึ่งนี่เขาจะฟังเทศรู้เรื่องได้ขนาดไหนนะโดยเฉพาะที่สมมาศิขาพฐมประสงค์นี่มอลหนึ่งสมัครทุกคนเลยนะอาตมาอ่านเอกสารที่ส่งมานี่ยแต่งานนี้เนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์อาตมาว่างานวิชาไยบรรดาบปณิยมเนี่ยคนค่อนข้างจะเคร่งกว่างานพุทธาปลุกเสงนะอาตมารู้สึกนะสังวรมากกว่าแต่งานปลุกเสกพุทธาจะไม่ค่อยสังวรเท่าไหร่บางทีนะ แต่งานนี้สังวรมากเลยแล้วก็ดูเหมือนคนบรรุธทมเลยนะแต่มาสังเกตดูขยันทํางานเบิกบานแจมใสทุกอย่างเลยแต่พอตอนดูคะแนนเนี่ยมันดูพฤติกรรมมันจะตรงๆข้ามกันบ่อยๆนะหลายๆคนเนี่ยนะที่ตอนที่เป็นเคนเคนนี่ดูเบิกบานดีแต่ไอตอนคะแนนเนี่ยภาษามันเกิดวิโมก8ตอนหลังสอบแล้วเนี่ยนะนจะสัมผัสวิโมก8ได้จริงหรือไม่หรือว่าผีมันออกมาแสดงตัวเพ่นพาดในงานนี้นะ แต่ตมาว่ายังไงงานนี้ก็น่าสมัครนะถึงสมัครไม่ได้เข็มก็ไม่แตมาว่าเรื่องเข็มก็เป็นเรื่องรองแต่เรื่องการมาฟังเทศแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกลุ่มของหมู่เนี่ยหัตมาว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งส่วนเข็มจะได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคะแนนมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของของเราใช่ไหมเป็นเรื่องของสมาคมสิการาที่จะประเมินผลเท่านั้นเองนะไม่เกี่ยวกับเรานะได้แล้วก็บางคนได้แล้วก็คืนบางคนได้ก็ยังฝากตมาไว้หนึ่งเข็มเด็กๆนะฝากไว้ตมาบอกคุณธัติ มากกว่นี้จะมาเอาคืนนะก็ฝากไว้ก่อนก็มีเหมือนกันนะสำหรับวันนี้เนี่ยพ่อครูก็คงจะต้องตอบปัญหาสิ่ที่เขามาถามทางอินเทอร์เน็ตนะปัญหานี้ก็จะมาว่าก็ดีดีในแง่ของกระทบต่อสังคมด้วยอาจมารู้สึกและก็ทบต่อสังคมชาวอัโศกด้วยคือในปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาที่พ่อครูจะเปิดเผยวันนี้แหละ ว, ว่าสังคมปัจจุบันที่มันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็มีประเด็นนี้อยู่ด้วย ทึงสังคมก็ปล่อยประละเลยแล้วก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นแล้วก็ในสังคมชาวโสดส่ว น, สนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ด้วยที่ไม่เจริญขึ้นไม่พัฒนาขึ้นก็มีจุดนี้เป็นจุดบอดด้วยในสังคมชาวโสดที่ตมารู้สึกแล้วก็ได้ทําหน้าที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะประเด็นต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอาหาร4ี่ทั้งเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะเพราะครูก็อธิบายพิสดารมากกว่าเดิมตมาฟังมไม่ค่อยรู้ จำไม่ได้ว่กี่เที่ยวแล้วเรื่องอาหารสีเนี่ยเรื่องนิทานไอ้แม่กับลูกกินลูกเนี่ยนะพอแม่กินลูกเดินทางกันดารเนี่ยอธิบายแต่ละครั้งก็ไม่เห็นเหมือนกันสักทีเลยนะเพราะว่าก็มีความพิสดารมากขึ้นอธิบายครั้งที่ร้อยนี่จะมีความพิสดานขนาดไหนแต่มาก็ไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่าเมื่อวานก็พิสดารอ้าวมีประเด็นนี้แหละประเด็นนี้อีกแล้วเนี่ยเพราะครูแตกกันเเนี่เดี๋ยวฟังครั้งที่ร้อยเอ็ดอีเดี๋ยวจะถึงขั้งที่ร้อยเอ็ดี๋ยวฟังครั้งที่ร้อยเอ็ดคือก็ดูว่า อาตมาก็สรุปว่าคนเสพโลกนเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเองว่าเสพไปแล้วนะแล้วก็น่ามืดมัวเมาไปด้วยกามแล้วก็ร้องควนครางไว้ที่เสพมันหายไปไหนหายไปไหนไ <c oughs> อ้ประเทศชาติทําไมมันยากจนลงเนี่ยมันหายไปไหนหมดเนี่ยทรัพยากรเนี่ยเอา้าตัวเองก็ซัดกันไปเต็มที่แล้วก็ไม่รู้ตัวเองนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งตัวเองเสพอยู่อะไรเงี้ยคือมันงงอะอาตมาเออคนโลแกนมีกิเลสมันมันงงตัวเองนะ อ้าวกินไปแล้วก็งงอ้าวแล้วมันใครเอาไปไห น, นมันหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะทรัพยากรประเทศทำไมมันขาดแคลนขนาดนี้แล้วมันหายไปไหนเนี่ยอัลไซเมอร์คือฟัง <Alzheimer. S 1> แล้วเหมือนกับกินแล้วก็ไม่รู้ว่าได้กินครับมันเป็นคนที่โมหะแล้วก็เป็นคนเหมือนหลงแล้วก็มนคนภาวะใกล้ๆคือคนโมเรมีโลกีมากที่ก็เหมือนคนบ้านะคือมันคนผิดปกติอ่ะ ที่ไม่รู้จักรู้สีรู้สางคนโรงพยาบาลบ้าก็าจะคล้ายๆกันลักษณะเนี้ยเคยถามคุณที่เขาเขาประเภทไม่ไม่ค่อยปกติอ่ะนะคือถามเขาเรื่องหนึ่งเขาจะถือถามเรื่องจี้ใจดําเขาเนี่ยเขาจะไปตอบอีกเรื่องนึงเลยท่านมันเป็นเรื่องนู้นน่อ้าวเราเขาเราถามเรื่องไปใต้เขาบอกพูดเรื่องภาคเหนือให้เราฟังเลยนะไปอีกเรื่องเลยอาตมาก็ต้องตามไปภาคเนีืยเขาไปถึงไหนละนะแล้วก็ให้กลับมาที่เดิมนะก็เป็นคนลักษณะนั้นวันนี้พรอครูก็จะ พูดในประเด็นนี้แล้วต่ละมาว่าน่าจะตั้งใจฟังเพราะจะได้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็สังคมโดยทั่วไปก็ขอกับนิ้บนพระครูได้ความเคารพครับอ่าอ่าเจริญธรรมทุกคนอก่อนอื่นจะได้ต่อเรื่องเมื่อวานนี้เราต่อประเด็นอย่างที่ท่านฟ้าไทยได้เกลิ่นไปก่อนมีพระบอกม อ, กอกเขียนมาถามพระใหม่พรรษา้อยว่างั้นเพิ่งมาพบคาแปล ที่เพิ่งมาพบคำแปลพระวินัย227ข้อเป็นภาษาไทยจึงตั้งคำถามเป็นคำถามจากปจิตีมีทั้งหมด94ข้อนั้นว่ามีอยู่ข้อหนึ่งกระผมสงสัยในปจิตีข้อ64ที่ว่าห้ามปกปิดอาบัติช่วหยาบของภิกษุอื่นห้ามปกปิด อาบัตช่วยยาของภิกษุอื่นกล่าวกับผมเข้าใจว่าการที่เราเป็นภิกษุปฏิบัติต้นดีอยู่ในศีในธรรมในวินัยณนะอารามแห่งหนึ่งเป็นปกติทว่าต่อมามีภิกษุอารามเดียวกันทําผิดโดยที่เราไม่ได้ขนขวายไปอยากรู้กรรมของคนอื่นแต่เขาทําผิดศีลของเขาและฉะไหนเราผู้มารู้เรื่องราว จึงต้องมีความผิดไปด้วยประจิตตีมีความผิด ป, ประจิตตีนี่ไปด้วยหรอครับหากไม่บอกตามความหมายอามบัตของข้อหกสิบเนี่ยเล่ากับผม เ, เ, เดี๋ยวมันวักไม่ไม่ถูกชั้นไหนเราถึงม า, าชั้นไหนเราพูมารู้เรื่องราวจึงต้องมีความผิดด้วยประจิตตีไปด้วยหรอครับหากไม่บอก ทำไมจะต้องไปเป็นอาบัติปชิติด้วยถ้าผมไม่บอกทีนี้ตามความหมายอาบัตข้อหกสิบสก็กับผมเข้าใจถูกหรือผิดครับอาบัตช่วยยาบที่ว่านั้นจากระดับไหนขอรับแล้วหากจะต้องบอกก็กับผมจะบอกใครดีกับใครดีหรือสมมติสมมติพระภิกษุในอารามที่เราจะเอ่ยปากบอก เพื่อเราจะได้ไม่บกพร่องในวินัยข้อนี้เ้าต่างก็มีศีลเป็นปกติเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับผู้ผิดแล้วเราจะทําอย่างไรอ่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากในการที่รับรู้แม้แต่ในสังคมอย่างที่ท่านฟ้าไทยกล่าวสังคมทุกวันนี้ในะสังคมทุกสังคมแหละควรจะรู้ความหมายที่พระเจ้าท่าน ท่านกําหนดไว้เนี่ยแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ทุกทุกขนาดรู้จักการประยุกต์รูจการปรับ ป, ปรุงให้มันเหมาะสมใช้ได้หมดแหละนะแล้วก็จะเกิดคุณค่าประโยชน์ต่อตนต่อสังคมเป็นคุณค่าต่อมนุษยชาติอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยอยู่ไปอย่างดีประเด็นของปัญหาก็คือว่าทำไมต้องถ้าเผื่อว่าเรารู้ไปรู้อวบัดยา ของเพื่อนภิกษุอยู่ในหมู่เนี่ยและเราจะถ้าไม่บอกมีนี่แหละมีบิ่นายบอกเลยปัจจิตีข้อหกนี่ว่าถ้าปกปิดผู้ใดไม่บอกอาบัติยาบปกปิดอาบัติหยาบของเพื่อนภิกษุที่เรารู้ผู้นั้นต้องอาบัติปัจจิตตีมีโทษเหมือนกันมีโทษที่ปกปิดอาบัติย่า อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตราไว้อย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าขืนปกปิดอาบัติหยาบของกันและกันเอาไว้นี่นะโดยไม่เปิดเผยนี่นะมันก็จะหมักหมมเน่าในหมักหมมเน่าในนะและ้วก็ไม่ไม่ไม่ทำให้ผู้ที่ปกปิดนั้นได้เกิดเปิดเผยได้เกิดคลายใจ มันจะหมกไปเป็นชาติชาติแต่ข้างไปไม่รู้กี่ชาติเลยเพราะงั้นอย่างเช่นสังฆาฏิเศษเนี่ยตั้งแต่สังฆาฏิเศษเป็นอาบัติหนักอาบัติหนักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องมันมีกรอบของมันเยอ ะ, ะอาบัติหนักนะระดับสังฆาธิเศษเป็นต้นถ้าเผอผู้ใดผิดแล้วไม่เปิดเผยไม่ปรงอบัติไม่ทำไม่ทาให้มันเรียบร้อยแต่ละชาติแต่ละชาติ ข้างข้ามชาติไปชาติหน้าเขาเป็นเป็นเวรเป็นภัยเป็นกรรมของเราอย่างมาซึ่งเป็นอาินใจไม่รู้สระสมไปเรื่อยๆนะแม้อยู่ในชาตินี้ก็ตามคุณบวชเป็นพระคุณก็กทาสังฆติเศษสังฆติเสธแล้วคุณก็ไม่เปิดเผยปิดบังจนคุณศึกคุณศึกออกไป สังฆทานิเศสนั้นไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ปรงไม่ได้แก้ไม่ได้อยู่กรรมไม่ได้ทำให้คืนให้มันเรียบร้อยตามหลักวินัยคุณก็คายอยู่นั่นแหละถ้ากลับมาบวชอีกคุณก็ต้องมาอยู่กรรมนี้อีกอันที่ข้ามมาตั้งแต่บวชเขาก่อนนั่นแหละศึกไปเป็นคารวะแล้วถ้ากลับมาบวชอีกต้องอยู่กรรมในข้อที่ผิดข้าม เรื่อข้ามชาติของชาตินี้ น, นะม า, มาจากภิกษุศึกไปติดหนี้สังฆาดิเศษไปเป็นคราวาสถ้าจะฆราวาดกลับมาบวชอีกหนี้นี้ต้องใช้อีกอยู่ตามเดิมไม่ผิดไม่ตัดไม่ศูนย์นี่คือรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้เพราะมันเป็นเรื่องอจินไตยที่มันหมักมมเน่าในแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกรรมอันทำ ร่างกรรมมันทําไม่ได้คลี่คลายไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปิดเผยถ้าเปิดเผยแล้วเนี่ยหนึ่งะผู้เปิดเผยเอตอนก่อนจะเปิดเผยเนี่ยมันมันยากมันทุกข์แต่เปิดเผยแล้วนี่สุขเลยเบาสบายเลยเจะต้องหมายรัตการระมัดระวังปกปิดความผิดของตนเองนี่ทุกมหาศาลนะทุกนะ นะเพราะฉะนั้นถาใครได้เปิดเผยได้โปรงอบัตได้บอกเพื่อนฝูงออกไปเสแล้วจบนะมันสบายเป็นการโปรงอาบัตนะจะบอกแกคนคนเดียวหรือบอกแกหมู่ได้ทั้งนั้นนะปรงอบัตนะแต่ท่านี้กรรมสังคาธิเสรแม้เข้าบอกกับคนเดียวหรือบอกกับหมู่ผู้ที่รู้อาบัตเนี่ยเช่นคนนี้อาบัตแล้วกาลังมาบอกกับหมู่ ก็ไม่ขอไปมาบอกกับคนคนเดียวคนคนเดียวก็ได้รับรู้อบัติคนคนนั้นคนนั้นได้ปรงได้เบาขึ้นตัวเองไม่กล้าบอกกระมุมบอกกับเพื่อนสนิทเป็นต้นเพื่อนสนิทก็ปิดไม่ได้อีกไม่บอกกระสง์ถ้าไม่เปิดเผยกระสงคนนั้นก็อบัติอบัติปัจจิ ต, ติรรรีรู้ทางกัดิเสต ร, รู้เครืองกัดิเศต ร, ร, ร, ร, รู้อบัติ ของเพื่อนภิกษุแล้วไม่เปิดเผยก็ต้องเปิดเผยต้องแจ้งแก่สงฆ์สงฆ์ก็จะได้จัดการวินิจใช้ทำอะไรจะไปตามหลักเกณฑ์ให้จบเมื่อจบแล้วคลาดใจ ห, หมดทุกอันนั้นก็จาไว้แล้วเราก็ปรับปรุงตนเองเสร็จแล้วเรื่องนี้สิน้นพอวินิจใช้อะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยจะลงโทษหรือไม่ลงโทษหรือจะอภัยยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ผลเหตุ ป, ปัจจัยของเรื่อง เสร็จและจบมันจะบายนะแล้วมันไม่มีอะไรหมกักหมมข้ามชาติไปใน่ๆนอีกเลยนี่เป็นเรื่องวิธีการที่ลึกซึ้งซับซ้อนของพระพุทธเจ้าอย่างเยี่ยมยอดนะนั่นคือต้องผู้รู้โทษหนักนะเรียกว่าคุรุกรรมคันธคติเศกเป็นต้นถ้ารู้แล้วเนี่ยต้องบอกในหมู่ต้องเปิดเผยในหมู่จะได้ ให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหมู่ทีนี้มันมีละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกอาบัตดักเนี่ยไปเปิดเผยนอกหมู่ไม่ได้ซับซ้อนไม่เปิดเผยอาบัตไปเปิดเผยนอกหมู่อาบัตอีกปรับอาบัตปะจิตติอีกเหมือนกันแต่เปิดเผยนอกหมู่ก็ไม่ได้เสียหายไม่เปิดเผยในหมู่ก็เสียหาย เห็นไหมนี่ความละเอียดละอของศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ครบพร้อมทุกอย่างนะอย่าไปเปิดเผยข้างนอกฟังไว้นะพวกเราเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอาจจะกําหนดหลายๆอย่างบางทีโทษอาบัติเรว่อความผิดที่ขั้นที่มันหยากมันมันต้องสมควรบอกที่นี่เดี๋ยวประเด็นที่ถามแล้วควรบอกกับใครค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายทีหลังนะเป็นประเด็นนี้ก่อนประเด็นควรบอกไม่ควรบอก เพราะฉะนั้นในหมู่เราจะต้องบอกนะถ้าอาบัตินั้นหรือว่าความผิดนั้นโทษทัานนั้นพฤติกรรมนั้นมันร้ายแรงมันหยาบมันไม่ควรอยู่ในระดับคุรุกรรมนะอันนี้ก็ไม่รู้จะไปกำหนดยังไงค ร, รูกรรมเนี่ยแล้วแต่เราเห็นควรนะว่าเนี่มันเอออันนี้มันหยาบแรงนี่มันไม่ไว้เราเสียหายมากควรก็ต้องประมาณเอาเอง นะมันมีในศาสนาพุทธท่านมีเลยมีตอนนข้อตอนนี้ข้อนอกข้อนั้นเราก็ตีความอาไปเองแต่ในกฎเกณฑ์ท่านมีอยู่แล้วสังกัดทเสรมีอยู่สิบสาข้อก็ว่ากันไปเป็นต้นนีทีนี้ในหมู่นี้ไม่บอกกันว่าไม่ใช่เออไม่บอกกันนั้นมันคลระคสังแล้วมันก็คลื่นแล้วมันก็ เน่าในมันรู้จะขยายความแปลคําว่าเน่าในคืออะไรมันก็จะเสียหายในในหมู่กลุ่มนี่ในวงเนี่ยมันจะเน่าจะเฟะจะเละจะเสียนะเน่าในทีนี้ถ้าเอาไปบอกข้างนอกวุ่นวายอีกเสียหายอีกอย่างน้อยทําให้คนอื่นสินส้นศรัทธาลดศรัทธาเพราะเอาความไม่ดีไปบอกเขาเขาก็ต้องลดศรัทธา ซึ่งไม่มีความจะเป็นเพราะเขาไม่เกี่ยวเขาเพียงศรัทธาเขายังไม่ได้เข้ามาในมู่ให้เขาศรัทธาไว้ดีกว่าเพราะยังไงยังไงเราก็ดีเป็นแต่เพียงข้อบอกพร่องมันก็ย่อมมีหนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่นะเรามีเพราะเราก็จัด ก, การข้างในนี้เอานี่เป็นเรื่องของสังคมที่ถ้าขยายความไปจนกระทั่งถึงระดับประเทศ ก็จะต้องมีการแจ้งถึงขั้นผู้ที่มีหน้าที่ผู้ใหญ่ที่ผู้สื่อตรงไม่อคติผู้ที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิสูงจริงๆก็ต้องควบคุมดูแลก็ต้องให้ท่านได้รับรู้แล้วก็จัดการไปอย่างดีเพราะผู้ที่สูงผู้ที่ไม่มีความําเอียงผู้ที่ไม่มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถละเอียดเพียงพอจะสามารถจัดการได้อย่างดี ต้องทําถ้าไม่ทําไม่ชมําระก็ไม่จบไม่เสร็จไปสิน้นแล้วก็ผู้ที่หมักมสมเน่าในไว้ก็มันก็หมักมสมเน่าในไปนะสังคมก็ไม่ได้ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรขึ้นมาอีกนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในเหมือนอย่างในประเทศเราจะเอาไปบอกนอกประเทศ เ, เรื่องของเราเน่าเน่เหม็นเหม็นมันควรไหมล่ะเรื่องในครอบครัว เรื่องหนักๆนะนั ก, น ก, น ก, นกต้องบอกกันให้รู้ในครอบครวัวจัดการในครอบครัวให้ดีแล้วไม่ต้องไปประก า, ปะกาศประจานในนอกครอบครัวใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือในประเทศก็จะการใ น, ในประเทศดีเรียบร้อยไม่จะเอาไปประจานนอกประเทศไม่ควรอย่างนี้คือลักษณะที่เรื่องของสังคมศาสต ร, ร์ของพุทธเจ้าท่านสุดยอดเลยสุดยอดเลยสรุปแล้วก็คือต้องบอกอ่ ต้องบอกแก่ต้องบอกแก่หมู่แก่สงฆ์หนึ่งทีนี้บอกบอกแก่ใครหนึ่งบอกแก่หมู่แก่สงฆ์กลางสงฆ์แก่กลางหมู่กลุ่มกลางที่ประชุมในสภาสองบอกแก่บุคคลที่เราต้องนับถือว่าเป็นผู้ที่สมควรเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่จัดการได้ เป็นผู้ใหญ่ท่านก็นต้องนำไปจัดการให้เหมาะ็นควรบางอย่างเนี่ยไม่ควรบอกทั้งสงบอกจะเฉพาะผู้ใหญ่ก็พอผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ซื่อสัตว์เป็นผู้ที่ไม่ลำเอียงเป็นผู้ฉลาดเพียงพอเป็นผู้บริหารเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือกันที่ตั้งไว้ก็แล้วแต่ก็ควรบอกผู้นั้นเท่านั้นไม่ควรไปบอกทั้งหมู่ก็มีอีกที่เราจะต้องพิจารณา ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเออบอกกระสงก็ยังไม่ควรนั น, นี่เรื่องเนี้ยบอกแค่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้าเผื่อว่าสมควรท่านเอาเข้อมูลท่านก็เอาเข้าต่อแน่นอนถ้าเห็นว่าโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องแลไม่ต้องข้อมูลท่านก็เก็บเพราะท่านรู้จักมีพิจารณญาณของท่านที่จะตัดสินอย่างนี้เป็นต้นนะและการเอาออกไปบอกนอกกลุ่มอันไม่ควรมันก็เกิดผลเสียอย่างน้อยไม่ศรัทธา และไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมู่นี้อย่คนต่างประเทศนอกประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยมันจะเป็นจะตายงไงเป็นต้นหรือคนนอกครอบครัวเขาก็ไม่ได้ไปรับผิดชอบอะไรในครอบครัวไปประจานเข้าทําไมนะไม่ได้รับอะไรเขาคัดสัทธาระไว้ก่อนไม่เป็นไรเราแก้ไขปรับปรุงของเราให้ดีด้วยเจตนาจริงใจทําให้หายไปทําให้เรียบร้อยเราก็ไม่ต้องบอกอะไรนี้เป็นต้น นี่เป็นลักษณะของทั้งนอกและในที่ละเอียดลึกซึ้งสรุปแล้วที่ถามมาว่าผิดด้วยหรือผิดพระพุทธเจ้าทิตราวินัยบัญญัติไว้นั่นนะมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะทําตามท่านเอถอะทำไมทําตามท่านแล้วแล้วก็เราจะมานับถือท่านทําไมล่ะท่านไม่ลํำเอียงท่านมีพระปัญญาที่คุณลึกซึ้งรอบรัดทุกอย่าง ที่บัญญัติออกมานั้นเหมาะสมและถูกต้องทุกอย่างแล้วคุณมาเคารพนับถือคุณมาบูชาจะมาเรียนรู้เอาความรู้แนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็เพราะเรานับถือว่าท่านเองท่านรู้จริงๆรู้ยอดจริงๆรู้ถูกต้องจริงๆไม่มีลำเอียงจริงๆเฉลียวฉลาดสุดสูงสุดที่ถูกต้องดีที่สุดแล้วจริงๆริงจะมาคุณจึงมาศึกษามอบตนเป็นสาวกมอบตนเป็นผู้ที่จะต้อง ศึกษาตามอันนี้นะเพราะอันนี้ก็ขอให้พวกเรารับรู้ในวงของสังคมพวกเราก็เช่นเดียวกันก็มีกรอบว่าในแวดวงพวกเรากับนอกวงนะก็ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรดังที่กล่าวไปแล้วที่จะต้องบอกหรือไม่บอกครนีในแง่ค า, า, า, ารวะแะครับที่เหมือนกันค า, า, ารวะอยู่ในยะเดียวกันครับก็คือถ้ามีความผิดอะไรที่ ควรจะต้องบอกก็ต้องบอกเพราะว่าเพื่อนที่มีความผิดอยู่เขาจะได้แก้ไขตัวเองถูกต้องไม่งั้นก็จะทํามากขึ้นอแล้วก็ทําให้หมู่นี้เสียหายออย่างที่บครัวอธิบายอคือคนที่ทําผิดมากขึ้นก็จะกระจายคือทําความผิดเพิ่มขึ้นแล้วตัวเองก็ไม่ละอายด้วยสิ่งเหล่านี้ก็แก้ไขก็ยากเพราะว่าบางทีผิดกันบกผิดกันเป็นกระบวนการกลุ่มอะไรแบบเนี้ครับอ่านี่ก็เป็นประเด็นของปัญหาที่ถามมาเอาอีกอันนึง ของพลพลเรือตรีมินกนกิจกำจรนี่ก็ถามคิดชอบคิดคนนี้เนี่ยชอบคิดอะไรอะไรละเอียดอาตมาขอใช้คาว่าละเอียดถามมาว่าถ้าเกิดชาติหน้ากระผมอยากมีร่างกายเป็นเทวดาครึ่งหนึ่งและเป็นเปรตครึ่งหนึ่งกระผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรในชาตินี้ หาเรื่องมาถามตลกตลกแปลกๆถ้าเกิดชาติหน้านี่กระผมจะอยากจะมีร่างกายอยากจะมีร่างกายเป็นเทวดาครึ่งหนึ่งเป็นเปรตครึ่งหนึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างไรในชาตินี้เ อ, เอาละจะดันทุรังตอบถามมายอย่างดันทุรังถามเนือว่าถามให้มันเพลืกพลือมาก็ไม่ว่ากัน ก็พอมีความหมายที่จะพอฟังเข้าใจเทวดาคืออะไรเปรตคืออะไรต้องรู้อันนี้ก่อนเทวดาคือดีเปรตคือเลวนี่แปล ง, ง่ายๆสั้นๆเพราะฉะนั้นคำว่าเทวดาหมายถึงจิตเปรตก็หมายถึงจิตวิญญาณไม่ต้องไปเอาชาติหน้าเราอชาตินี้จิตวิญญาณของคุณก็มีอยู่เดียเ๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คุณจะต้องไปเกิดชาติหน้าทำไมอ่ะ คุณเรา่าคุณอยากจะมีร่างกายร่างกายก็คือรวมทั้งองค์าพยพของร่างกายในกายยาวานาคือก้างสอกพร้อมสัญญาและใจส่วนกายเนี่ยมันเป็นเปรตเป็นเทวดาไม่ได้หรอกมัเป็นไม่ได้หรอกเพราะเปรตหรือเทวดานมันคืออาการของจิตจิตเจริญก็เรียกว่าเทวดาจิตเสื่อมก็เรียกว่าเปรตอ่า เพราะฉะนั้นคุณจะอยากไปเป็นเทวดาครึ่งหนึ่งให้จิตเปรตเป็นเทวดาครึ่งเปเปรตครึ่งหนึ่งคุณก็ทำหมดทีไม่ต้องเกิดชาติหน้าอะไรนี่ก็ชาตินี้คุณก็ทํามาไปจะทาไปหาอะไรล่ะทําเป็นเปรตครึ่งหนึ่งก็ทําเป็นเทวดามันเต็มๆเลยไม่ดีก่อนเลอทําไมจะต้องไปพิลึกพิลือพิเลนที่จะต้องเอาเปรตครึ่งหนึ่งเเป็นทําไมล่ะเปรตเออเป็นกระเทยครึ่งหนึ่งทําไม ก็เธยเปรยก็เทยเทวดาโอ้ตันหลกน่าจะพูดอยากเป็นหรือเปล่านะเป็นทำอะไรมันก็ต้องศึกษาเป็นจิตที่สูงจิตที่เจริญจิตที่สูงจเจริญอย่างโลกีเอาเถอะก็ถูกต้องตามสมมติสัจจะเขาดีตามสมมติเขาถ้าดีมันต้องเจริญแบบโลกุตระเป็นปรมาตสัจจะ สัจจะที่จิตจเจริญอย่างหลุดพ้นอย่างที่หมดเนื้อหมดตัวหมดตนหมดกิเลสจริงๆอันนั้นจะเริญสูงสุดเรียกว่าปรมัตรธรรมปรมาตสัจจ ะ, ะก็ต้องทําสิ่งที่มันควรที่สุดอ้าวเอาละตอบพูนี้ก็ถามมาเรื่อยชอบคิดชอบอะไรแต่ไลไปเรื่อยระวังน่าจะเป็นวิตกกัจจิริตนะถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาถึง80อสงไขยกลับนะ ศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าบอกแหวกเดี๋ยวก็อย่างโน้นเดี๋ยวก็อย่างนี้กลับไปกลับมาแล้วมันเสียเวลาซับซอ้อนพยายามทำความเข้าใจให้ดีแล้วก็มุ่งมั่นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจะเร็วขึ้นแม้จะเป็นทิศทางที่ยังไม่ดีที่สุดไปทางใดทางหนึ่งไม่ดีที่สุดคุณก็ยังจะเร็วขึ้นยิ่งดีที่สุดเร็วที่สุดตัดสินเลือกให้ดีๆเอา ปัญหาไปแล้วที่นี่มาเข้าสู่ปุตตมังสะสูตรนในประเตปปิฎกเล่ม16ข้อ240ในเล่มอื่นก็มีนะอาตมาไม่ได้จํามาเล่มอื่นก็มีปุตตะมังสะสูตรเล่มอื่นในอาตมาเคยผ่านตาแต่ว่าไม่ได้จําว่าเล่มอะไรแต่เล่มนี้นี่มันอยู่ในมือเล่ม16ในปฏิจจุบะ ท, ทั้งเล่มเลยอาตมาชอบมากเล่มนี้ถือจงกระทังขาดอยู่ยีหมดละ พกไปพกมาหอบไปหอ บ, บอมาโอ้โหนังสือเล่มนี้นี่พาอาตมาพาขึ้นเครื่องบินไม่รู้กี่เที่ยวแล้วหอบไปหอบมาเมื่อวานนี้ได้ขยายความถึงปุตตมังสะสูตรในกาวริงกราหานนะกาวริงกราหานอาหารในระดับที่หนึ่งนะกาวริงกราหานซึ่งอาหารในระดับที่หนึ่งกาวริงกราหานนั้น มันหนักไปได้วยกามพระพุทธเจ้าให้ศึกษาเรื่องของการมกุณห่านในกวริงกราหารคืออาหารที่กินนี่แหละอาหารที่กินทุกวันทุกมือ้อทุกคราวทุกครั้งไม่ว่าอาหารจิกจุบจิ บ, จบอาหารกินเล่นกินหัวกิน อ, อวดกินอ้างกินหลงยกฐานะชั้นสูงชั้นเตี้ยชั้นต่ำอะไรก็แล้วแต่ กินหลงติดอรอบอร่อยอะไรหรือกินเป็นพิธีการอะไรก็ตามใจเถอะการกินทั้งหลายทั้งแหลนั่นน่ะท่านเน้นมาที่ติดรูปรดเป็นเสียงสัมผัสเรว่ากาเมคุณห้าติดในรูปมันรูปอย่างนี้พอใจรถอย่างนี้พอใจกลิ่นอย่างนี้พอใจพอใจเสียงอย่างนี้พอใจสัมผัสอย่างนี้พอใจอะไรต่างๆนนั่นน่ะเป็นกิเลส ท, ที่บัรตรตึงชีวิต หรือจิตวิญญาณหนาแน่นมากพระพุทธเจ้าท่านพยายามที่จะสร้างนิทานเรื่องแม่ซับซ้อนหักมุมซับซ้อนยากที่จะเข้าใจแต่ธรรมาก็พยายามที่จะอธิบายตามภูมินะจริงใจตามภูมิธรตมาเองแหละขยายความได้เท่าไหร่ก็พยายามที่จะอธิบายสู่ฟังนะไอสิ่งที่มันเป็นรถ ทางลิ้นนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นรถความชอบความยินดีแต่เพียงรถที่แตะในปากในลิ้นเท่านั้นความใคร่กามคุณเนี่ยนี่เป็นต้นแบบในเรื่องของการกินอาหารแล้วก็ติดรูปรดเป็นเสียงสัมผัสต้นแบบขยายออกไปคุณจะไปกินอื่นหรือคุณจะไปบริโภคอื่นบริโภคอิฐหินดินปูนบริโภค รถไฟรถรางรถยนต์บริโภคเครื่องบินบริโภคอะไรก็แล้วแต่บริโภคทนบัตบริโภคทองคาบริโภควัตถุบริโภคอะไรก็ตามแต่ในยะเดียวกันในยะเดียวกันคือต้องเป็นของกูชอบดีใจชื่นใจที่ได้เป็นของกูโลภโลภ เอาของนั้นมาเป็นของตนราคะได้เสพสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนั้นสมใจตนเรีว่าราคะถ้าโลภก็มาเป็นของตนถ้ารถก็เป็นตนเลยเสพรถอยู่ในในรถบรนเนียนในนะ่ะมันเป็นสภาพที่แยกไม่ออกน่ะเป็นสภาพที่เป็นรูปที่แยกไม่ออกเป็นอนิพพัทอนิพันธ์อนิพันธ์นนรูป นะเดี๋ยวค่อยเอาพวกนี้มาอธิบายอีกมีจ น, น12คู่เนี่ยโอ้เรื่องรูปนี้ต้องแจกไปอีก12คู่ค่อยว่ากันนะค่อยๆตั้งหลักไปเรื่อยๆ เ, เพราะงั้นในการรู้มีปฏิภาณในการรู้ว่าไอ้ทุจริตไอ้อกุศลไอ้ไม่ดีเนี่ยมันติดมันยึดมาเป็นเราไปของเราเนี่ยวาววาจแต่รูปรสกินเสียงสัมผัสสัมผัสแล้วเป็นรถเป็นโอชะรูปเท่านั้น แม้แต่เป็นรถที่เป็นอุปาทายรูปอีกต่อไม่รู้กี่อย่างมันก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยไปยึดเอาเข้าเอาของเอาดินน้ำไฟลมมาเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นของตนหรือได้สัมผัสและชอบใจเช่นคุณได้สัมผัสโอโหแหวนเพชรแห ว, วนเพชรเนี่ยถ้าได้มาถือในมือก็ชื่นใจแล้วนี่สัมผัสแค่นั้นนะ ถ้าได้เป็นของตนสมโลภให้ดูหน่อยได้สัมผัสทางตาครับก็เป็นแค่สมราคะเขาให้เป็นของตนเลยสมโลภเลยนดังนี้เป็นตน้นนี่ก็คือมีความใคร่ยากแล้วก็ได้สมใจอยากก็เป็นสุขไอ้ความสุขนั้นก็เกิดอารมณ์นั้นน่ะ พอผ่านนั้นไปก็พักยกหรือยังจํากลุ่นอยู่ในใจแต่ยังไงมันก็ต้องหายมันก็ต้องไปคิดอื่นมันก็ต้องไปเรื่องอื่นอยู่นั่นแหละมันจะมาจํายังตั้งไปทําอะไรแล้วคิดอะไรแล้วก็ยังจําอยู่ตลอดเวลามันอาจจะมีนี่ๆีห น, น, น่อยห น, อ ย, นอยอยู่บ้างแต่เอาไปเอามาห น, หนักหนักเข้าก็ค่อยๆค่อยปล่อยก็ค่อยวางก็ค่อยลืมก็ค่อยเลือนสุดท้ายไม่สนใจ เป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรมาแต่ไหนแต่ไรนิรันดร์ที่จัผูกยังติดยังเป็นเราเป็นของเราอยู่มันไม่มีจริงหรอกในมหาจักรวาลนี้ไม่มีเราไม่มีของเราแม้แต่เนื้อแต่หนังเนี่ยโอ้โหดีมันติตรงไน้นมันก็เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท้องเป็นก้อนเป็นแท่งของเราเนี่ยมันก็อยู่ได้ชั่วคราวเอาให้สองรอปีตายเอา แอะไรก็ต้องแย่นานวสิ้นไปเอาไหมเอาถึงส0งร้ยไหมไม่เอาครับไม่อยากได้ออยากได้แต่ไม่ไหวครับทาไมทอแท้ทำไมพ่ายแพ้ไปเรยไม่ทอแท้ครับแต่ประมาณตัวเองแล้วว่ามันไม่ถึงแน่ไปตะกละก็ดีเหมือนกันเนาะก็ของพ่อครูร้อยสิบเอก็ยังคิดอยู่โอ้โหหนักผมเอาคิดแค่ร้อยปีผมก็รู้สึกหนักเลยนะรอยยี่สิบปีใทางวิทยาศาสตร์ก็าคำนวณแล้วว่า คนเนี่ยยุคทุกวันนี้เนี่ยเขาคำนวณตามวัตถุตามเซลล์ตามวัตถุรูปตามพวกนั่นแหละขับเคมีธาตุตามเชิงฟิสิกส์เขาคำนวณแล้วว่ามันประมาณได้ร้ยีปีแต่คนทำจริงจริ ง, ร ง, รงทำไได้มากขนานั้นอีกถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะประคับประคองกรุงแตงปรับปรุงมันจริงๆรงอาาเดมันจะยดยาอยู่ยาวเพราะในอาหาร กามคุณห้าในกามคุณห้าจึงเป็นรถไม่เฉพาะแต่บริโภคอุปโภคกินรถกินเรือกินถนนหนทางกินเงินกิน ท, ทองกินสองแสนล้านห้าแ 0,000 ล้านอะไรพวกนี้ต่างๆนานาที่เป็นเรื่องกันทุกวันนี้เนี่ยจะไม่รับผิดชอบจะตีกันเชียงนี้กันพวกที่เขาเวทนไม่ไหวก็บอกเอ้คุณสูเอียกันอะไรกันขนาดนี้ขนาดต้องเป็น คนยังไม่เคยแต่เป็นประเทศไทยมาไม่มีใครมานั่งโกงเงินขนาดเป็นแสนแสนล้านอย่างนี้ตั้งหลายแสนล้านอย่างนี้แล้วก็จะปล่อยให้ลอยนวลไปเนี่ยมันจะะไรอยู่ไหมอ่มันดูะไรอยู่ไหมมันน่าจะจัดการให้ให้เป็นตัวอย่างถ้าไม่เช่นนั้นก็ทีหลังคนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรเราเราเคาอปรงมเอาเงินซื้อไว้อ่าซื้อผีพู้นี้ไว้อ่าโม่แป้งได้เลยอย่างนั้นเดอะ ถ้าคุณถูกซื้อไว้แล้วถ้าคุณถูกซื้อไว้แล้วย่ำสองครั้งถ้าไม่ถูกซื้อไว้แล้วจัดการถ้ามาจัดการและนี่มันเหมาะควรที่จะต้องจัดการแล้วถ้าไม่จัดการนั้นอย่างไรอย่างไรคุณจะเป็นล้างจิตของคนว่าสงสัยว่าคุณนี่ต้องถูกซื้ อ, อไว้แล้วมีบุญคุณกันอย่างไรแค่ไหน คุณจึงไม่กล้าที่จะลงโทรนี้เพื่อมวลมนุษยชาติเห็นแก่คนคนเดียวที่เขามีบุญคุณอะไรกับคุณนะฮะนะอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมนลึกซึ่งนะนี่คือเรื่องของสังคมศาสตร์แท้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องการมคุณห้าจึงซับซ้อนมากอาตมาขยายจากบริโภคมาเป็นอุปโภคให้เห็นว่ามันก็คือติดอยู่ที่ตรงความใคร่อยากนะติดอยู่ที่ตรงนี้จริงๆ <c oughs> เพราะงั้นเราอยาไปขบฏต่อทุจริตกรรมต่ออกุศลเพราะกรรมที่เราเองเราแฝงเราซอ่อนก็เป็นกรรมหมกหมักปกปิดแม่แตะมุกี้เราพูดถึงอุอบัตชั่วยาบนี่มันยาบนะออบัตที่ใหญ่ยิ่งอยู่แล้วเพราะันจะช่วยปกปิดช่วยกันอำพรางช่วยกันเกลื่อนแม่อันนี้ได้ชำระได้แก้ไขซะถ้าลงโทษปรับปรุงไปแล้ว เรียบร้อยมันก็สมบูรณ์ได้มันก็มันมีอะไรค้างคาแต่ถ้าไม่จัดการมันก็เป็นไปอีกกี่ชาติเรายังไม่รู้เลย น, นี่ก็บอกสัจธรรมสู่ฟังอธิบายสู่ฟังเพรา ะ, ะนั้นความซับซ้อนไม่รู้ไนยะอะไรแต่ไรยะที่บอกว่าพ่อแม่มีลูกข้าลูกกินด้วยความเห็นแก่ฉันจะไปเอาอะไรข้างหน้า ไปในทางธุรกันดารลำบากลำบากใจจะแย่งลาบยศฉันเสริญโลกียะสุกเนี่ยแล้วก็หลงว่าเป็นจะเอาโลกียะโลกียะลาบนี่แหละยโลกียะสมบัตินี่แหละเพราะยังไม่มีปัญญาอาจจะเข้าใจปัญญามีปัญญาจาลองว่าสูงสุดนี้เขาเรียกนิพานนะแต่นิพานเป็นเรื่องยังไงเขายังไม่รู้เลยอันนี้เนี่ยท่านสมมุติอยังงั้นนิพานคือยังไงยังไม่รู้เลย แต่ก็เดินไปใน ท, ทางธุร ก, ก, กดานหนาแหละลำบากลำบากโดยลึกๆ ก, ก็คือหลงว่าลาบยศเสโโริญโลกีสุเป็นสุดยอดของนิพพานหลงว่าอย่างนั้นแล้วก็ต่อสู้ไปโดยธุร ก, กดาแย่งชิงมันลําบากธุรกดาเพราะมันต้องแย่งชิงมันต้องเล่นโดยเล่ยโดยเลี่ยมแล้วฆ่ากันตายไม่รู้กี่ชาติแย่งกันไม่รู้กี่ชาติ ข้ามฮันจะไม่รู้กี่ชาตินี่แหละคือทางธุรกันดารแล้วก็ยังโง่ อ, อยู่นั่นแหละทุงสุดก็คือเขาว่ายอดนะแต่แท้จริงก็ไม่ได้คลายไปจากการแย่งลาบยอดเสรอโนกีสุเลยเพราะยังไม่มีสมาธิิมันต้องทิ้งตั้งหากคุณไม่ทิ้งเลยคุณยังสะสมลาบยอดเสิอโนกีสุอยู่ตลอดเวลาเลย คุณถ้าไมเข้าใจชัดว่าต้องละต้อง่แม่ผ่อนแม่ไม่ได้หมดก็ต้องผ่อนคลายลดล่างกิเลสลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดตามฐานะตามฐานะนุทานะคุณยังไม่ได้ทำเลยยังตั้งหน้าตั้งตาเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดําเนินเดินเดินเดินเดนเดินเดินเดินเดินเดินเดิน้ดตนเดินเดินเดินเดนเดลนเนีดินเนเดินเดินเดินเดินเดินเดินเินดินเดินเดินิดน เดินมุ่งหน้าอยู่ในงั้นน่ะเสร็จแล้วคุณก็พยายามทำไปสิข้างทางคุณหาทางมีสเสบียงหาเสเบียงไปเพื่อที่จะช่วยการเดินเดินเดินเดินเดินแม้ที่สุดลูกแท้ๆของคนเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณแด้เทอคุณยังฆ่าได้เอามาหิดได้เพื่อที่จะผลที่คุณจะได้อันนี้แก่ตนเองถึงขั้นฆ่าลูกฆ่าแล้ว เส่แแ้กคุณก็ลืมละทำเป็นเนื้อแห้งเนื้อย่างกินคาปากกินไปแล้วบอกลูกเราไปไหนมันสุดอัลไซเมอร์เลยนะเนี่ยสุดยอดอัลไซเมอร์เลยทำไมมันกินแล้วไม่รู้ว่ากินไม่ได้กินไม่รู้ว่ากินกินอะไรเมื่อกี้ฉันกินอะไรก็ไม่รู้ว่าฉันกินอะไรกินลูกเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าลูกเองหายไปไหนเห็นไหมว่ามันซับซ้อนขนาดไหน แสดงว่าจิตทองเขาเนี่ยมุ่งไปอย่างอื่นใช่มุ่งอย่างเดียวว่าสูงสุดก็ยังไม่รู้ว่าจุดสูงสุดคืออะไรครับเพราะว่าไอ้ที่แล้วก็เดินไปในทางทุรกันดารมากเพราะมันต้องแยง่งกั้นต้องฆ่ากันต้องสร้างวิบากกันไปอีกกี่ชาติต้กี่ชาตินี่คือทางธุรกันดารดีไม่ดีก็โทษคนอื่นอีกดูแน่นอนหาว่าว่าทําลายลูกตัวเองแต่ตัวเองกับตัวเองทอําองครับที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยหนึ่ง ฆ่าลูกตนเองด้วยความเห็นแก่ตัวสองโง่ลืมเลือนเอ้ใครฆ่าข้าลูกไปไหนสามยังรักลูกอยู่นะครับผูกพันอยู่นะครับซับซ้อนกี่ชัน้นโอ้โหนี่ก็นี่สามไปแล้อ่าสี่อยากได้ลูกคืนครับไปเอาจากไหนล่ะเองกินแล้วอะ่ะ ง, งงตัวเองอยู่นะเองก็อัลไซเมอร์กินอะไรก็ไม่รู้ แล้วลูกหายไปไหนแสดงว่าจิตเขาเนี่ยหมกมุ่นจีงง่ายเนี่ยแสดงว่าหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายที่อยากจะได้ชจนทําไปแล้วเลื่อนๆไปเลยอัลไซเมอร์อย่างสนิทเลยครับคนเทลกิเลสหนาตันหาจักนี่แเขาเรียกว่ามืดบอดที่แท้จริงครับมืดสนิทบอดสนิทเลยครับนี่คนมืดที่สนิทบอดสนิทเพราะในอุทารหอหรือวันนิทานนิยายที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างขึ้นมาเนี่ย สุดยอดแห่งนักประพันธ์เป็นนวดียายที่คลาสสิกที่สุดเนี่ยสอนอพ่อแม่ลูกพ่อแม่สองคนที่มุ่งมั่นที่จะไปพาไปสุดยอดจริงๆกูก็จะพาลูกไปพาไปสุดยอดด้วยแต่เห็นแก่ตัวเองข้าลูกกินที่นี่เพื่อตัวเองข้าลูกกินแล้วก็ยังลืมซะ อ, อีกแล้วยังไม่รู้ซะ อ, อีกกินกระปากเป็นเนื้อแห้งเนื้อย่างขากินอยู่เนี่ย ยังชีพตัวเองไปด้วยเนื้อลูกแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเออกินอะไรคือปกติคนทั่วไปนะครับความเป็นแม่พ่อเนี่ยคือเขายอมอดตายเพื่อลูกลูกของตัวเองอแต่นี่มันกลับกันเลยว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวให้ลูกตายตัวเองให้ลูกตายคือตัวเองอยู่ครับมันโอ้โหมันกลับกันมากเลยซับซ้อนมากนะมันซับซ้อนมากเพราะง่้ยความเห็นแก่ตัวนี่มันร้ายแรง มันรุนแรงมันซับซ้อนไม่รู้กี่ชั้นซึ่งเห็นความเห็นแก่ตัวที่มันหนักหนาสาหัสเพราะคนผู้นี้จึงยากมากยากมากเพราะงั้นในทางธุรกดารเนะขาเขาอยากจะงมงายอยู่ในทางธุรกดารคื อ, อยังโง่แย่งลาบยศสรรเสริญโลกีสุขกยูเนียอีกนานเท่านาน ถ้าอย่างตัวนังสือที่เขาชอบเขียนเขาจะใส่สอามากตัวหรือใส่ตัวนนูมากเรนานใส่ไปจนเต็มบรรทัด เ, เพราะว่าอย่างพระเจ้าบอกว่ามีพระเจ้าเกิดมาเท่ากับปรเม็ดขวดเม็ดทราของมหานาทีมนุษย์ก็ยังเลวร้ายอยู่มากมายมหาศาลอย่างนี้เมื่อว่ายุคไหนสมัยไหนออนอกจากมันอาจจะมีตัวบุคคลมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้นแหละมันอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามันนี้เป็นสัจจะที่ ใครสุดยอดทางทางสายพุทธพ ร, ะ, ระพุทธเจ้าตรัสรูและผู้ที่จะทําตามและจะศึกษาตามรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะที่นํามาอธิบายที่นํามาขยายความนี่ก็เพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาจึงพอมีภูมิรู้อันนี้ใครมีภูมิรู้อันนี้ก็มาอธิบายกันสินะแล้วก็ขยายความกันให้เรู้ให้เข้าใจกัน ถ้ามีเราก็ว่ากันไปบอกกันให้รู้ฟังขึ้นไหมละ่ะฟังรู้เรื่องไหมละ่ะฟังเข้าใจดีไหมละ่ะฟังได้เห็นจริงมเนี่ยมันเป็นยังงน่นะนะเพราะาสรุปแล้วอาหารบริโพอก็ตามอุปโภคก็ตา ม, ปปตามเป็นความใคร่อยากได้มาเป็นโลภได้มาเป็นราคะถ้าเป็นแค่เสพรสกา ม, มคุณแค่ราคะเสพรสมันก็แค่เสพรส ตาหูจมูกริ้นกายสัมผัสแล้วก็เป็นรถโบชะแต่ถ้าสัมผัสเป็นอุปพภคเป็นวัตถุเข้าของนั่นแหละสมบัติเป็นเงินเป็นทองเป็นเรือเป็นเรืบินเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเป็นอะไรอะไรต่างๆที่ว่าไปนั่นมาเป็นโลภสมในโลภเป็นของเราถ้าเสพรสก็เป็นสัมผัสแล้วก็เป็นรถท่นนี้เป็นของเรา ก็นั่นแหละน่นะเป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะเพราะนั้นความใคร่จึงมีทั้งอุปโภคและบริโภคหรือมีทั้งบริโภคและอุปโภคถ้าขยายออกไปแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นนะนี่ก็ขยายความอีกนะในสูตรนี้ในกัวริงกราหาษบทนี้ให้เพื่อให้รู้ละเอียดเพิ่มขึ้นจะได้รู้พิสดารเพิ่มขึ้น เพราะใครมัวเมาใครยังตกแต่งใครยังสร้างรูปสร้าง อ, อ, อะไรแต่ไรอยู่สร้างสมบัติสร้างวิมาณสร้าง ก, กอ่อผ่อผองห่วงอยู่ทั้งดินน้ําไฟลมอะไรที่เป็นมหาภูต ร, รูปเป็นวัตถุรูปต่างๆคุณก็หนักนาสหาหัสและคุณก็ยังยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละไปตลอดก็นา น, นาเป็นการ ให้ตัวเองเป็นของตัวเองไปนะเพราะฉะนั้นการที่จะมีอาหารเป็นกวลิงกลาอาหารเนี่ยสำหรับเพื่อที่จะให้ขันร่างกายขันเรานี่มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังเพื่อจะได้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติละลดทิ้งออกไปตั้งแต่สมบัติยาวัตถุรูปไปจนกระั้งถึงพฤติกรรมก็ไม่เสียดายการกรแลงงานไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวั จ, จีกรรมมนโนกรรม ที่เราจะสละได้อีกจนสละกิเลสออกไปหมดเลยล้างกิเลสออกไปหมดเลยทำลายกิเลสออกไปให้สิ้นเกลี้ยงเลยว่าสละหมดนั่นแหละทั้งรูปธรรมนามธรรมาจนกระทั่งถึงสุดยอดอะไรก็แล้วแต่เกลี้ยงคง จ, จะต้องละล้างเลิกให้หมดให้ได้นะ เขาบอก10บโมงเช้าก็สิบโมงเช้านาฬิกาเขาเรียกคนนาฬิกาคนตาบอดตรงใช้เสียงเอาเราพูดอยู่ทางนี้เราก็ไม่ได้ไปดูเขาหรอกเราก็ไม่รู้เขาก็ต้องให้เขาส่งเสียงมาอาศัยตาไม่บอดลงแต่ตาไม่ได้ไปโคจระไม่ได้ไปร่วมทำงานด้วยปราสาทรูปก็มันคุมอยู่ทางนี้โคจระมันไม่ได้ไปโคจระไปทางนี้มันก็เลยไม่เห็นตัวเรือนนาฬิกาอ้าว นี่ก็แวะอธิบายนั่นอธิบายนี่ไปเรื่อยเพราะถ้าผูดใดที่เข้าใจในเรื่องของอุปโภคก็ดีบริโภคก็ดีแล้วก็ยังมีราคะมีโลภะอยู่ถ้าไม่ได้สมใจก็โทสะไม่ได้ดังใจก็โทสะเป็นธรรมดาถ้าได้ดังใจก็ไม่โทสะก็กลายเป็นราคะหรือโลภะอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนาน นี่เรื่องของความใคร่ทางกามนะเอาขนาดนี้ก่อนกันลวกันนะเอาทีนี่ไปสู่ผัสสะผัสสหาราผัสสหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้มโอ้หคิดในดีนะผัสสะเนี่ยมันคือไปแตกแม่โคนมไม่มีหนังหุ้ม มีแตงเนื้อแดงแดงแล้วก็หุ่มอาจจะมีน้ําเยิมอะไรพวกนี้น้ำเยิมจะเป็นน้ําเหลืองหรือเป็นน้ําสดสดน้ําเหลืองนี่คือน้ําหุ่มที่มันน้ําเสียของอาการปรุงของถาดถาดน้ําน้ําเหลืองถ้าเป็นน้ําสดน้ําใสท่านก็เรียกว่าเป็นน้ํา น้ำที่เป็นพลังงานภาษาไทยจะเรียกน้ำอะไรก็ไม่รู้แต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโปรโตพลาสน้ำโปรโตพลาสเป็นน้ำน้ำใสเป็นน้ำโปรโตพลาสนะโปรโตพลาสที่มันเป็นน้ำเป็นลักษณะน้ำชุ่มชื้นสดใสบารุงให้ประโยชน์ แต่น้ำเหลืองมันเป็นน้ำเสียและเน่าอันนี้เป็นน้ำสร้างเออน้ำสร้างน้ำสร้างก็น้ำเสื่อมน้ำเหลืองีนน้ำเสื่อมน้ำโปรโตพลาสเนี่ยเป็นน้ำสร้างมันมีอยู่ในพืชตั้งแต่ผีชะไปจนกระทั่งถึงคนนะเพราะฉันผิวหนังแดงๆเนี่ยจะมีน้ำพวกนี้น้ำสดนี่มันเคยไม่ใช่น้ำเหลืองนะมันไม่ใช่น้ำเหลืองมันก็จะ แต่ที่ไหนปั๊บมันก็จะทําปฏิกิริยาเพราะว่าน้ำสด น, สนะน้ําใสนะมันทําปฏิกิริยาดีกว่าน้ําเสื่อมน้ํามสมแล้วมันไม่ค่อยปฏิกิริยามันต่ำนะ ม, มันมินจะทําลายนาาย้ําใสน้ําสดน้ําที่เต็มที่นี่มันทํางานบางคนที่โคหนังหุ้มเออโคไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์อาศัยฝาเจาะกิน ถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ช้ยกินหากลงไปยืนแช่ในน้ำอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยในน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยอยู่ในที่ว่างอยู่ในอากาศก็จะถูกบวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะกินและจิกกินสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศจับกินจิกกินด้วยนะ เป็นอันว่าแม่โคโนมตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ถูกจาพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นนั้นกัดกินอยู่ร่ำไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นผัจตสาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกำหนดรูปผัจตสาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรูปเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามนะอันแรกในกามงคณทั้งห้า ากาวลิงการาหารหรือว่าอุปโภคบริโภคจะมาขยายแล้วตอนนี้มาผัดสาหารก็จะเกิดผัดสะจะมีอาหารสามาเวทนาสามได้เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้เวทนาสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้ว ที่ว่ากามคุณหบอกท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรยิ่งขึ้นถ้ารู้กรรมคุณหแล้วไม่มีอริยสาวกกาหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เป็นจากรามคุณได้แล้วสังโยชน์อื่นสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนําอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีเพราะารู้จักกามคุณห้าอันที่หนึ่งรู้ครบแล้วจบในตัวของกามคุณหแต่กามคุณห้าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวกามคุณห้ามาเกี่ยวกับปัตตาด้วย เพราะปัสสาะมันก็จะมาเกิดเวทนาสามปัสนสะาวะหานี่จะมาเกิดเวทนาสามนะก็จะต้องเรียนรู้อันนี้เมื่อกำหนดรู้ปัสสาว่ามีเวทนาสามมันเกิดอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์สามคุณก็ศึกษาอันนี้อธิบายอ่านต่อเจตนาต่อนะแล้วก็จะได้อธิบายมันถึงจะครบถ้าไม่งั้นไ ม, ไม่ครบสังขารไม่ครบการปรุงแต่งนะอธิบายยาก ต้องอธิบายอันนี้ก่อนอธิบายตั้งต้นการมคุณหา้าอันนั้นไว้เป็นหลักเป็นพื้นได้แล้วภาษาอาหารเจตนาอาหารบิญญาอาหารจะอธิบายผสมรอยมาลายถ้าไม่เช่นนั้นอธิบายไม่ออกนะต่อมาเมื่อมีผัสสะจึงจะเกิดเรื่องการมคุณห้าเขาต้องมีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะก็มีการมคุณห้าเหมือนกั น, น เพราะฉะนั้นเมื่อมีผัสสะแล้วอารักปักไว้ก่อนอยาเกิดเวทนาสาต่อมาดูเคราะพิสูจน์ทั้งหลายก็มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษนะลึกมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มันมากก็แล้วกันชั่วบุรุษกันก็แสบ SM ํานวนไปเต็ไมไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่เห็นเปลวด้วยนะไม่เห็นอะไรเลยนะเป็นโอ้โหฐานเพลิงมากเต็ไมไปด้วยถานเพลิงจริง ไม่เห็นเปลวไม่มีควันไม่มีร่องรอยอะไรให้รู้เลยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเป็นลุมฐานเพลิงที่เป็นเพลิงอย่างมหาศาลเลยครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ทุกคนตัวเองทั้งนั้นแหละครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขถ้าลงเป็นลุมฐานเพลิงตายไหมได้เสพสุขไหมไม่ได้เ ส, สีก็ไม่อยากตาย จะยังอยู่เสพสุขเกลียดทุกข์เราเกลียดทุกข์ด้วยเดินมาก็มีบุรุษสองคนมีกำลังจับแขนจับเขาที่แขนทั้งข้างละคนคลา้าชุดคล้าไปสู่หลุมฐานเพลิงมีสองแรงดึงสายขวาดึงไปสู่หลุมฐานเพลิงท่านใดนั้นเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากให้ไกลจากหลุมธานเพลิง ก็แน่นอนใครมันอยากจะเข้าไปใกล้ลุมฐานเพลิงมันมีเรี่ยวแรงอะไรดึงจะให้ไปลงลุมทานเพลิงเขาก็ไม่อยากจะไปไ ม, ไม่เอาก็อยากจะออกข้อนั้นเพราะเหตุใรทำไมอยากออกจากใกล้ลุมฐานเพลิงมีแรงจะดึงเข้าไปแล้วนะสองแรงเนี่ยออมือแล้วดึงสู้เพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาจะากตกลุมฐานเพลิงนี้ก็จะต้องตายหรือถึงทุกแทบตายข้อนี้ชั้นใด เรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสัจเจตนาอาหารชั้นนั้นเหมือนกันมันก็เข้าใจยากใช่ไหมต้องเห็นว่าเนี่ยไอ้เจตนาเนี่ยมโนสัเจตนาไอ้ความมุ่งหมายเป็นอาหารของเราเนี่ยเราต้องเห็นว่าไอ้ความมุ่งหมายนีย่มันเป็นเรื่องน่ากลัวนะมันฆ่าเราด้วยมหลุมฐานเพลิงตกลงไปในะละลายยังไมไ่ถึงก้นหลุมฐานเพลิงเราละ ล, ะลายตั้งแต่กลางทางแล้วความร้อนนะ่ะ ใครเราบัณอยากจะบัทุกแน่นอนแล้วมันก็จะตายมันจะหมดไปใครเรอยากตายใครเราอยากทุกเพราะก็ตรงดินจะมีแรงดึงสองข้างหรือดึงสิข้างก็แล้วแต่ดึงไปหาโน้นเราก็ต้องดิ้นลนเพื่อที่จะมาคนเรารักสุขกลัวทุกเป็นอย่างนี้เพราะงั้นก็จะต้องได้สัมผัสสุขหนีไม่สัมผัสทุก ฟังอีผัทสาหานถ้าไม่ผัสสะไม่มีสุขไม่มีทุกเนี่ยอธิบายแทกให้ฟังถ้าไม่มีผัสสะไม่มีสุขไม่มีทุกถ้าคุณเอาความคิดสัญญากําหนดความจำมาปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์นั่นคุณดึงเอาความจํามาสุขมาทุกข์ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ความจริงเป็นความจํา เป็นเพียงความจําเป็นลมๆเรื่องแรงปั่นขึ้นมาถ้าคุณไม่ปั้นขึ้นมาคุณไม่คิดขึ้นมาเลยมันจะมีความจําความ อ, อะไรขึ้นมาในจิตไหมไม่มีความจําคุณก็ไม่ได้ถึงมาการสัญญากำหนดหมายเอามาก็ไม่มีความมีสภาวะอาการอารมณ์อะไรทางจิตขึ้นมาก็ไม่มีแต่คุณมีเพราะคุณเองคุณคุยมันขึ้นมาเอง จิตก็คุณ่ะคคุยมันขึ้นมาเองจริงๆงไม่คุยหรอกมันดับให้มันหยุดมันยังไม่ยอมหยุดเลยใช่ตั้งหาแต่ให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดกัดไป้จดกดไว้ก็ไม่หยุดมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยหัดวิธีกดง่ายที่สุดกดกดกดใช้พลังงานกดก็เลยกลายเป็นลัทธิข่มเป็นลัทธิข่ม พระพุทธเจ้ า, จาลูกซึ้งกว่านั้นบอกเฮ้ยไปขมเท่านั้น ม, มันก็แค่ของมันก็จะขึ้นมาจนได้มันไม่ได้ศูนย์อะ่ะเพราะนั้นที่ของพระุทธเจ้า ก, ก็เลยเรียนให้มันรู้เลยว่าศูนย์ดับเหตุมันจึงศูนย์ด้วยเหตุผลของจริงสัมผัสจริงเพราะจะสัมผัสจริงอยู่ในกายมีความประชุมอยู่ทั้งตาหูจมูกนิ้วกายนี่แหละจริงเลยจากนั้นมีแต่ความจําถ้าคุณหมด ไม่จําใส่จิตคุณก็ไม่มีความจาจาไม่ได้คุณจะเอาอะไรออกมาคิดคุณก็ไม่มีสิ่งที่จะออกมาระลึกออกมาจะไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายคุณกระลึกขึ้นมาส่งคุณก็ไม่มีเพราะคุณจําไม่ได้นั่นอย่างหนึ่งจําไม่ได้นี่ยลืมๆจนกระทั่งความลืมนีลึกขายดึงขึ้นมาไม่ได้คุณก็จําไม่ได้มันไม่ศูนย์นะ เพราะรัตินั้นหมกหมอบหมกเหม็นเน่าในไปหมดทีนี้คุณพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงมาแล้วล้างเหตุความจริงทั้งหมดเลยนี่ไม่ต้องจําหรือแม้จะจําคุณก็รู้ว่าสักแต่ว่าจําใช้ความหมายคําว่าสักแต่ว่าจํารู้ว่าจําคืออะไรจําคือเหตุปัจจัยจําคือเหตุปัจจัย ถ้าคุณจำเรืว่าสัญญาถ้าสัญญาของคุณเองรู้แล้วคุณทําความไม่เที่ยงได้แล้วคุณไม่สามารถไม่ใจะไม่สามารถคุณสามารถคุณสามารถที่จะทําความไม่เที่ยงให้แก่อันนี้คุณจะเลิกเมื่อไหร่คุณจะละลายเมื่อไหร่คุณก็เป็นผู้ที่เก่งมีมุทุภูตธาตุมีธาตุอันทั้งไวทั้งเร็วทั้งสำเร็จธาตุจิตหัวอ่อน สลายศูนยปได้จะให้มันมีตัวตนก็ได้เป็นอมตะบุคคลเป็นบุคคลให้เกิดปั๊บมัมีให้มีหายไปหายทันทีนี่เป็นสัจจะความจริงว่าไม่เป็นอตมตะมัอมตะบุคคลทําอย่างนี้ได้โดยเฉพาะทำพลังงานของจิตพลังงานของจิตธาตุจิตคุณทําให้หายไปทําให้มีขึ้นได้ทันทีทันใดนั่นเรียกว่าคุณมี มุทุพุทธธาตุที่เยี่ยมยอดเป็นอมตะบุคคลนะเพราะฉะนั้นในผัสษะคุณเองคุณเป็นอมตะธาตุคุณอนุโลมทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลำบากนี่เป็นสำนวนพระนพที่อยู่ในชาตหนึ่งสองสามสี่ในชาตหนึ่งคุณมีวิตกมีวิจารวิจารรับอะไรว่าพฤติ อาการต่างๆวิต ก, กะแปลว่าคิดแปลว่าประมาณแปลว่าคหนวณประมาณกำหนดตักกะคือความปรุงแต่งของจิตตักกะจาระเป็นพฤติของจิตคุณจะให้กำหนดประมาณให้พฤติของจิตเนี่ยมันมีสักเท่าใดอนุโลมให้มีได้เท่าใดทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเท่าใดเพื่อผลประโยชน์ที่คุณจะต้องอยู่ อยู่เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์กับคนอื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตนเพราะคุณค่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินั่นคือประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนนั้นหมดได้จบได้หมดตัวตนได้เพราะใครรู้ตัวตนของตนเองและหมดตัวตนของตนเองจริงเลยถ้าคุณจะอยู่คุณก็มีอยู่แต่ประโยชน์ผู้อื่นนะ่ะเก่งก็ควายอ่ะ ควายมันมีชีวิตอยู่เพื่อมันเองมันก็กินแต่หญ้ามันกินแต่พืชอะไรก็ไปจนกว่ามันจะตายสืบพันธุ์ไว้ก็จบคนก็เลยเอาควายมาใช้ควายเลยเป็นสัตว์มีประโยชน์นี่ถ้าคนมันสามารถใช้เสือเป็นประโยชน์ได้มันก็จะใช้พวกละครสัตว์มันเก่งให้มันเอาเสือมาหากินได้มัน ฝึกเสือจนกระทั่งอามันเล่นหากินคนก็ไปดูว่ามันเก่งฝึกเสือเก่งก็ได้เงินเป็นประโยชน์ตำรวจหมาก็เอามามาฝึกเป็นประโยชน์อินเดียชาวอินเดียก็เอางูมาเลี้ยงอเอางูเห่ามาเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เอางูมาหากินเป็นประโยชน์ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ใครจะมีความสามารถอะไรเดี๋ยวมันจะไปใกล้มันจะเยอะๆตัวอย่างอะไรมากเกินน่ะ สรุปแล้วในผัสสหารเนี่ยถ้าคุณเองคุณจะต้องมีชีวิตอยู่คุณต้องมีผสัสะต้องมีผสัสสะแต่ถ้าผัสสะของคุณมันไม่มีอะไรป้องกันทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลาบากนั่นก็คือภาวะของพลังงานระดับหนึ่งที่คุณทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลาบาก มีสัมผัสแต่ทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลำบากมีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจะร้ายจะเบาจะแรงจะหนักคุณกระทบสัมผัสแล้วคุณทนได้สบายคุณไม่ได้ทนไม่ยากหรอกไม่ลาบากอะไรและเราก็ ท, ที่ต้องทนก็เพราะว่าเราต้องทำที่ต้องทนก็เราต้องทำทำอะไรทำกิจทำการทำงานทำสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์สาหรับผู้อยู่ ้ำหรัสิ่งที่มีอยู่สําหรับตอะไรยอยู่ถ้าโลกนี้มีแต่อัตมาคนเดียวนอกนั้นไม่มีเลยสัตว์ก็ไม่มีมีแต่พืชอัตมาก็จะอยู่เป็นประโยชน์กับแก่พืชถ้าโลกนี้มันมีสัตว์อีกเออก็เป็นประโยชน์แก่สัตว์ถ้าโลกนี้มีคนเราก็จะอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนถ้ามีคนเร็วกับคนดีเราก็จะมีประโยชน์กับคนดีเรามากกว่าคนเร็วพ่อครูนเป็ําดับพูดคํานี้เนี่ยก็นึกถึงว่า แสดงว่าพระอรหันต์พระโพธิสัตว์นี่ก็ต้องทนเพื่อผู้อื่นถูกต้องสินี่เป็นสุดยอดแห่งประโยชน์คุณค่าเป็นประโยชน์แห่งความสุดยอดแห่งการเสียสละครับเพราะว่าพระโพธิสัตว์จะเข้าใจอันนี้ดีเลยถ้าไม่จะอยู่ไปทําไมมีเสียที่จะปรินิพพานเป็นประโยชสารแล้วจะอยู่ไปทําไมครับถ้าอยู่ก็เพื่อผู้อื่นตนๆไม่มีจริงๆแล้วอะแต่มันก็ต้องทนอ่าก็ต้องทนครับคือฟังคํานี้เรารู้สึกว่าเออเรา ต้องสำนึกให้มากครับเพราะว่าท่านทนเพื่อเราจริงๆผมเคยพูดก็ไปบรรยายที่วัดมหาธาตุบรรยายเสร็จก็ลงมาไอ้หนุ่มคนนึงก็บอกว่าโอ้โหลวงพี่มันจะพายเลยรักษาสุขภาพนะต้อง ก, กินอาหารดีๆอาหารอร่อยๆ จะได้อยาอายุยืนยามันจะมาอธิบายไปยงี้มันอาตมาก็บอกว่าอาตมาไม่ได้กินอาหารอร่อยแล้วเอาไม่กินอาหารอร่อยก็มันหมาตัวหนึ่งสิพี่พมันไม่อร่อยได้ไงไม่รู้สึกคออาภัยสับสนนะมันหมาตัวหนึ่งนี่ไม่มีเงินสัก บ, บาทสับสนอาตมาพูดเอทออันนี้เรื่องอาหารเอามันกินพูดตัวเองขออาภัยสับสน อาตมาไม่ได้กินอาหารเพื่อตัวเองเขาก็งงไม่กินเพื่อตัวเองแล้วมันก็กินเราให้ร่างกายเราก็ตั้งอยู่แล้วตั้งอยู่ไปทำไมอ่ะก็ตั้องอยู่เพื่อทำงานเพื่อผู้อื่นเพราะชีวิตของเราจึงซ้อนไปแล้วก็ชีวิตของเราเมื่อเราเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็ดูแลไ ว, ไวส้สิถ้าไม่เลี้ยงดูไม่แลดูไม่รักษาไว้คุณก็ไ ม, ม, ม่มีอันนี้ไว้ใช่อ่ะอันนี้มันทำงานให้คุณได้นะ อันนี้เป็นเครื่องยนต์ในคุณได้เครื่องยนต์หนึ่งอย่างน้อยแม่เป็นเครื่องยนต์มันทําตัวเองไม่ได้มันเป็นแต่เหลีวอันหนึ่งมันก็เป็นแต่เหลีวให้คุณนะคุณไปดูแลรักษาไม่เลี้ยงมันไว้ปล่อยให้มันผุพังไปดื้อๆคุณก็เสียประโยชน์ของคุณเองอ่ะคุณก็เอาแต่เหลีวมารักษาไว้คุณก็เอาเครื่องยนต์มารักษาไว้เครื่องยนต์ก็จะทํางานให้คุณแต่เหลีวก็จะทํางานให้คุณในยิ่งเป็นคนด้วยคนชื่อสัตว์สุดจริตไม่ลําเอียงทํางานดี มีความสามารถทําให้คุณคุณไม่เลี้ยงไว้ก็จะคุณปไปเลยนี่คือปรัปฏิพัทถาเมชีวิตกาชีวิตนี้ให้คนอื่นเลี้ยงไว้เพราะเรามีประโยชน์คนเห็นคุณค่าเขาเลี้ยงดูได้เท่าไรก็เท่านั้นอาตมาทํางานมีอุปกรณ์ในการทํางานเท่านี้ใช้เท่านี้ทําเท่านี้อุปกรณ์หมดไม่มีอุปกรณ์จะใช้ก็เท้าได้าัวติมือเราใช้มีก็ใช้มือไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้มือ ใช้ความรู้ความสามารถใช้เท้าใช้ปากนะหูมันคีบไม่ได้แฮมือคีบได้ก็ใช้ไปตามที่มันมีมแสดงว่าเราพวกเราที่ในในสูตรเนี้ยท่านจะบอกว่าอริยาสาวกแสดงว่าผู้เป็นอริยาสาวกนี่ก็จะต้องรู้ว่าโพธิสัตว์คืออะไรคร่าวๆ เราก็ต้องส่งเสริมท่านให้อยู่ยันนานเก <streaming S 2> <150 S 1> <ด>ินร้อยห้ปีประมาณนี้อยู่ถึง200 ร, ร, <า>ร้อยปีจนกว่าอแล้วต่อเลยนี่เ <medium s. S 1> กิบก็พอแล้วอันนี้หมายความว่าก็ <RI kitty> คือท่านมีพลังมากใช่ไหมก็ช่วยโลกเปนานโลกจะได้แบบมีความพาสุขมากกว่า น, นี้อีกหน่อยถ้าเราตายไปก่อนแล้วก็รีบเกิดมาอยู่กับท่านอีกเพราะว่าท่านยังไม่ตายไงใช่ไหม <laughs> เราจะได้บรรลุธรรมเลยถ้าใครมาสุดวิสัยมันจะต้องตายในตั้งจิตไว้นะบอกรีบมาเกิดแล้วครับรีบเข้ามุดแล้วรู้นะบรรดาศอยู่ตรงไหนจํำไว้มาให้เจอบรรดาศให้ได้ครับเพราะว่ายังไงไงก็ก็เกิดในพธิสัตผมรู้สึกตัวของเองนะผมไงมาเกิดกับพ่อครูผมรสึกเออเป็นความโชคดีชีวิตที่สุดในชีวิตนะครับในชาติเนี่ยคือถ้าไม่ได้มเจอพ่อครูนี่คงจะโอ้คงจะยําเปอะไรก็ไม่ทราบ แต่ว่ า, าเกิดเจอพระครูยังไงชีวิตมันก็ดีขึ้นสบายอ่ะเอาง่ายอย่างน้อยก็สบายแล้วก็แต่ที่ได้ประโยชน์คือเราได้พัฒนาตัวเองไปสู่ อ, อิยะสาวกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสุดในชีวิตเอาต่อน ะ, ะ, ะเพราะงั้นเมื่อเราจะต้องมีผัสสะถ้าไม่งั้นรูปไม่เกิดเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาถึงตุกปลายสัมผัสนี่มันไม่มีสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงคุณก็ไม่มี เมื่อมีมันจะเมื่อมีมีมันจะมีได้ต่อเมื่อวันมีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะไม่มีรูปตอนน้คุณมีจิตวิญญาณถ้าคุณไม่มีผัสสะคุณก็ไม่มีรูปคุณจะมีรูปก็ต่อเมื่อคุณผัสสะทีนี้เอาละคุณบอกว่ามีปั้นเอาเองสัญญากำหนดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเลยกาหนดในระมิดขึ้นมาเองเป็นภาพเป็นรูปจากความจาหรือ คุณจำรูปนั้นรูปนี้ไปปฏิปต่อเองนี่แหละคือการฝันจับไอ้หนมชนนนนี่ฝันต่อปฏิปต่อเองคุณก็ได้อันไหนจําได้เอารูปนี้ลึกอันนี้มาอันไหนจําไม่ได้ปฏิปต่อเองผสมประสานกันทั้งไอ้จําได้จําไม่ได้ต่อเองไม่ต่อเองปนกันเละไปหมดเลยฝันเละอย่างนั้นแหละนี่นั่คือความฝันเนรมิตเองสร้างไปเองตามเรื่องแสดงไม่แต่เอารูปอันนั้นเป็นแค่สัญญาครับไม่แต่เอารูปเนี่ยคือ ผมเวลาฟังเทศเนี่ยพ่ะครูอะไรแต่พอยกเรื่องนี้ปุ๊บสิ่งที่เราอยู่ภายในมันก็เกิดไปตามภาวะที่พ่อครูเทศอ๋ออันนี้เรายัางลางหมดไม่หมดอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้ถูกต้องอันนี้ถูกใช่ไหมใช่เราก็จะจับได้เราจะรู้ตัวนะอาตมากำลังจะขยายความว่าถ้าไม่มีผัทธะมันไม่มีความจริงมันมีแต่ความจําเพราะฉะนั้นในความจําคุณมาปรุงแต่งความจําคุณจะสร้างอเนรมิตรทำอะไรอะไรก็ได้สารพัดใช่ไหม แต่มันไม่ใช่ความจริงมันลมๆเร่งๆมันเป็นมโนมายะอัตตาภายในมโนมายะอัตตาภายในจิตของคุณเองคุณก็สร้างเนรมิตไปอะไรต่ไปเพิ่ๆพกๆแล้วมันไม่จริ ง, รงใช่ไหมเล่าจะสร้างเล่นๆหัวๆยังไงก็ได้ใช่ไหมคิดในรมิตยังเงี้ยเงโ้เอาหัวมาต่อหางเอาหางไปตัวต่อหัวต่อข้อนต่อปลายต่อน่นตอได้หมดใช่ไหมอ่านั่นแหละคือความไม่จริงสักอย่างเห็นไหม เพราะฉะั้ต้องมีผัดสะสรุปครับผมเคยอ่านหนังสือขออภัยนะครับผมเคยอ่านหนังสือจิตว่างของหลวงพ่อพุทธาต่ะแล้วผมจิตผมก็ว่างไงว่างแล้วก็แบบเหมือนพ้นบทกิเลสเลยครับอแล้วก็ว่างว่างวงว่างนี่ก็ตัวจะบรรลุครับมันเป็นลักษณะนารครับจิตมันเป็นตะกะครับมันเป็นตะกะขึ้นมาแล้วเราก็ว่างเหมือนเราจะบรรลุไปเลยครับเออะความไม่มีตัวตนแบงนี้จริงๆก็ไปตามเนี้ยครับไปตามหนังสือเพิินไปเพลินเลยครับ ม, ม, มันเป็นปลักษณะที่พระครูอธิบาย น, านะเพราะฉะนั้นจึงสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายถ้าไม่สัมผัสวิโมกขแปด้วยกายพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่าจะตัดสินให้เป็นอรหันต์ได้เห็นไหมเห็นความสําคัญเพิ่มขึ้นนะมับเพราะฉะนั้นความจริงจริงอยู่ที่ต้องมีผัสสะนี่กําลังเน้นผัสสะหารถ้าไม่มีผัสสะ มีแต่ความจําไม่มีความจริงแค่สองคำนี้กรแทงให้ทะลุเถอะนะเพราะจากความจริงก็มาเป็นความจำเพราะในผู้ที่ปฏิบัติทำได้เป็นพระอรหันต์แล้วความจําท่านก็รู้ว่าความจําจะเอาความจํามาเป็นความจริงท่านก็ออกมาสร้างข้างนอกถ้าไม่เอาความจํามาเป็นความจริงมันก็แค่ความจําเพราะท่านก็รู้ว่าความจํานั้น มันเป็นสัญญานิจานิถ้าคุณยึดว่ามันเที่ยงมันจะอยู่กับคุณทาวอคุณก็ยึดไปที่แต่พระอาหารหันตุองค์ท่า น, นรู้แล้วว่าไม่ยึดคืออะไรแล้วถ้าไม่ไม่ยึดเป็นด้วยท่านก็ไม่ยึดแต่ถ้าท่าจะอนุโลมยึดก็สักแต่ว่ายึดสักแต่ว่ายึดเข้าใจไหมแต่ดูจริงจังนะฮะก็จริงเสียอาศัยเป็นคนจริงนะจริงในสิ่งที่ปัจจุบันรม แล้วมันอยู่ในความคิดมันไม่จริงอยู่ในจิตไม่จริงแว่าจิตเอาออกมาข้างนอกมันจึงครบความจริงคือผมก็ดูพ่อครูอะเวลาทําท่าจะยึดนะครับดูจริงจังมากเลยนะจริงจังแบบจริงใจตามภูมินะครับมันเหมือนจริงมากเลยอะครับเหมือนจริงได้ไงเหมือนจริงมากเลยแต่พอผ่านไปแล้วเอ้าเมื่อกี้นี้พูดอะไรนี่รันเปล่าเนี่ยผมงงไงอ่าใช่แล้ว คือพ่อคูเคยเดูยผมเนี่นะ<อ>ผมโอ้โหจริงมากเลยเนี่ยเมื่อเรามีความผิดมหาศาลเลยแต่พอผ่านไปแล้วเอ้าเมื่อกี้พูดกันเรื่องนี้เปล่าเนี่ยไปอีกเรื่องเนึงแบบคือผมก็อ้าว <c oughs> ออมีภาวะแแบบนี้เราเรายังมีคลื่นอยู่เลยละเอียดดีละเอียดดีใช่เป็นเช่นนั้นนะสรุปทีนี้ตกลงผัดสาหานี่ต้องเกี่ยวกับความจริงจะเป็นความจริงได้ต้องมีผัดส ถ้าไม่มีผัสสะไม่มีความจริงมีแต่ความจําในความจําก็เป็นวิมานได้ก็มีสภาพหนึ่งได้ที่คุณอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายต่อคุณตายไปแล้วปิติจิตกับวิบากคุณยังจําคุณยังเป็นจริงคนที่หลงความจริงแต่ที่จริงมีแต่ความจําครับก็จะได้รับทุกอันนี้อ เพราะฉะ น, นั้นคนที่มิจฉาหรือว่าคนที่อวิชชาเขาก็หลงความจําเป็นความจริงตายไปแล้วจึงมีนรกจริงๆเลยจากความจําของเขาจากความจําจากสัญญายะนิจานิของเขาโอ้โห อ, อันนี้สัญญากําหนดนี้เป็นของจริงของเที่ยงของแท้สาหัสเลยครับเพราะความจํามันจะวนอยู่มากเลใช่ไปยึดความจําเป็นความจริง เพราะนี้นถ้าคนสามารถทำความจริงนี่ให้ชัดเจนเลยว่ามันก็สักแต่ว่ามีพอไปเป็นความก็สักแต่ว่าจําขนาดจริงนี่มันก็ยังไม่จริงเลยและไอ้จํามันจะไปจริงเท่าจาได้ไงไอ้จามันจะไปจําบมันจะไปจริงเท่าจริงได้ไ ง, ไไงส่วนใหญ่คนยึดยดมั่นถือมั่นกับความจาของตัวเองเออผมก็เป็นความให้เราทุกข์อะครับทุกข์สิ ก็มันมันไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่เราก็ไปทุกกับความจําของเราถูกต้องมันต้องคลายความยึดมั่นถือมั่นในความจําของเราถูกต้องครับเออแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจําไม่ได้ย้อนอีกจําได้แต่สักแต่ว่าจําครับอาศัยเท่านั้นครับอย่าไปอาลัยตกลงอ่าง่ายได้ตกลงเลยไม่ต้องไปอาลัยอาศัยเท่านั้นเพราะยะอาศัยในสยะเป็นเรา ถลาะยะนี่บรรเลยระยะนี่ทุก ร, ระยะนี่ลยนี่วิลายนี่ทุกวิสัยนี่ อ, อยู่ได้วิสัยนี่อยู่าวิลายนี่บรรเลยวิลายว อ, อีวิครับน้อา้าวมันจะไปกันใหญ่นาอภัสาหานั้นคือจริงเพราะฉะนั้นท่านเทียบเหมือนโคไม่มีหนัง เมื่อมีผัสะคุณไม่มีภูมิคุ้มกันคุณไม่มีหนังเลยไม่มีภูมิคุ้มกันก็ไม่มีหนังเลยคุณผัษ ส, สะอะไรคุณก็ทุกหมดเพราะคุณโง่คนไม่มีหนังโคไม่มีหนังก็เหมือนกับคนอาวิชามันไม่รู้อะไรเลยโคไม่มีหนังครับมันสะพัดอะไรหนึ่งมันหลงว่าดีมันก็เลยสุงสพัดอะไรก็หลงว่าดีหมด สัมผัสอะไรก็หลงว่าดีหมดก็เลยสุกสัมผัสยาเสพติดจึงสุกเลยสัมผัสความร้อนก็สุกสัมผัสความ ข, ข, ข, ยขยะอะไรก็สุกอะไรเงี้ยคนหลงไปได้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่หลงอ ะ, อะไรคือสัจจค ข, ของมันควรไม่ควรก็รู้จากความควรความไม่ควรอย่างพอดี แล้วจะให้มีก็เอาสิ่งที่ให้มีอย่างพอดีจะไม่ให้มีก็ไม่ให้มีได้อย่างพอดีปัสสาวะาเนี่ยผมคิดถึงตัวผมเองนะเหมือนโคลมีหนังคือมีอะไรก็เข้าหมดครับใช่ด้วยคือความบ้าบอคอแตกอะไรก็เข้ามาในตัวเองหมดน่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยครับยิ่งกว่าเอทครับคนที่เอทไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกันยิ่งกว่าเอก คือเขาหลอกอะไร<ม>เขามีอะไรเราก็ซัดเข้าไปในวิญญาณเราหมด น, น, ม น, มนั่นแหละนั่นแหละเหมือนนั่นนะโค้ดที่ไม่มีหนังเพราะฉะนั้นอะไรเข้าหมดเช่นมันหลงว่าเป็นสุขมันก็เอาเข้ามันหลงว่าเป็นปทุกข์ก็เอาเข้าเพราะมันโง่แล้วเอาเข้ามันก็เป็นตัวตนสิเอาเข้าไปหมดมัน เ, เป็นตัวตนหมดทุกข์มันยังเอาเข้าเลยอันนี้ชอบกัเอาเข้าอันนี้ไม่ชอบกับเอาเข้าอไม่รู้เรื่องกับเอาเข้าอีกใช่รับเละเลยครับ ถ <laughs> ังขยะเราดีๆนี่เองคนนี้ถังขยะเราดีๆนี่เองแต่ไอ้ถังขยะส่วนมากที่เอาลงไปใส่แบลงไปมากขยะนะมันไม่ค่อยมีมี น, นันานาจะมีอะไรหลงๆของดีหลงๆใส่ไปในถังขยะมัง่งแต่ส่วนมากนะ่ะมันคือของทิ้งของเสียของไม่ไม่น่ามีหน้าเป็นเลยแต่คนไปหลงอะไรไปของน่ามีหน้าเป็นก็อีกแล้วก็แบกก็หามไปงั้น น, ะน่ะนะ ต้องลงสรุปไปง่ายๆผัสสะนี่มันคือถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักความจริงกับความจำคนนั้นก็หลงความจริงต้องมีผัสสะก็ไปหลงความจำเป็นความจริงเพรานตอนเป็นๆ เ, เนี่ยคุณอยู่กับความจริงหรือคุณอยู่กับความจำความจำมันอยู่กับคุณมากหรือความจริงมันอยู่กับคุณมาก ความจำมันอยูอ่คุณมากหรือความจริงมันอยู่คุณมาก <c oughs> เอออาอ้าวตกลงต้องแยกอย่างนี้เมื่อใดที่เรามองออกมาข้างนอกมีสติสัพชัญญะเข้ามากำหนดอยู่ข้างนอกความจริงก็อยู่กับเรามาก เมื่อไรเราไม่กำหนดข้างนอกเราหลบเข้าไปอยู่ข้างในความจำความจำก็อยู่กับเรามากทีนี้คุณก็ยึดว่าสัญญายะนิจานิคุณจะกำหนดนอกหรือกำหนดในก็แล้วแต่คุณจริงกับมันหมดทุกมากเลยถ้าคุณไม่จริงกับมันหมดสักแต่ว่าอาศัยเพราะฉะนั้นจะเป็นความจำเราก็แค่อาศัยจะเป็นความจริงก็แค่ อาศัยไม่ต้องถึงกับอะไรจากเป็นจากพรากเป็นพรากตายเป็นตายเป็นก็คือเป็นรู้จักตายรู้จักเป็นรู้จักมีรู้จักไม่มีถ้ามีก็พึ่งกันถ้าไม่มีก็แล้วไปคนบ้านเนี่ยผมเคยคุยกับคนที่เขาไม่ปกติเขามา เขาจะอยู่กับความจํามากกว่าความจริงคือแทบไม่อยู่กับความจริงเลยใช่พอดีอยู่ในพบไงครับอยู่กับมโนอยู่ในมโนพบพังว่าอยู่ในมโนพบของตนเองครับเขาอยู่กับเรื่องของตัวเองตัวเองมีตัวตของกูของพของกูคนอื่นไม่รู้ด้วยไม่รับรู้ไม่ร่สัมพันธ์ไม่รับเกี่ยวข้องเพราะนั้นใครที่อยู่กับความจําที่เป็นความจริงจะกลายเป็นคนบ้าทศบ้าครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ทั้งสองส่วน อยู่ทั้งความจําและความจริงและก็อยู่อย่างอาศัยไม่ต้องอยู่อย่างอาไล่พราดก็พลากจบก็จบมีก็มีมีก็คือเราเจตนาเราตั้งใจเดี๋ยวใจเข้าหามโนสัญเจตนาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผัสสะให้เป็นใช้เป็นความจริงความจําต้องแจกความจริงกับความจําให้ชัดๆความจําคือความจําความจริงคือความจริงเสร็จแล้วความจริงก็ไม่มีจริงความจําก็ไม่มีจริง พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าสัจจะไม่มีหรอกในโลกสัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นงงไหมไม่งงครับแก่งจริงๆโอ้โหไม่งงอราฟังหลายทีแล้วฟังหลายทีแล้วฟังหลายทีครับแล้วก็เข้าใจเพราะว่าเพราะว่าไอ้ที่เราคิดว่าจริงผ่านมาเราก็ยังไม่จริงมาเลยครับ แต่ไอ้ตอนที่เรามีกิเลสอะเหมือนนึกว่าจริงอะออครนนนะันั่นนะนั่นนะนั่นนะแล้วมันก็ทําให้เราทุกข์แล้วเราไปจําว่าจริงอีกซวยหนักเข้าไปอีกซ้อนนี่ครับอคือทรมานมากเลยขยายความไปได้อีกเยอะในปัสสาวะหาร้อาอา้าวทีนี้ต่อไปนะ่ะเหมือนโคที่ไม่มีหนังนั่นแล้วนะ่ะผัสสะอะไรไปถ้าเป็นงง่งแ็บแีบหมดแสบหมดแต่ถ้ามีภูมิคุ้มกันผัสสะอะไรก็ได้ เป็นสังขารุ่เปขายานยานที่แข็งแรงต่อสังขารทั้งหลายแลเฉยวางได้อยู่อย่างมีพลังจริงจริงนะทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากใช้จำนวนนี้ด้วยนะ่ะแล้วก็อยู่อย่างจริงๆไม่ต้องทนหรอกทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลำบากนะั่นคือผ พ, พู้ไม่ต้องทนก็อยู่อย่างมันอยู่ได้อย่างสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้วนะ่ะก็สบายก็ต้องทาพลังงานของเราให้เป็นพลังงานที่กระทบสัมผัสแล้ว ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลาบากหรืออยู่ได้ด้วยแม้แต่จะแรงเราก็ยังสามารถที่จะรับรับแรงนี้ได้เพื่อประโยชน์ไม่ใช่รับแรงนี้ได้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะเพื่อประโยชน์ผู้อรับแรงนี้ได้เพื่อประโยชน์อื่นไม่ใช่ประโยชน์ตนรับแรงนี้ได้เพื่อจะเอาประโยชน์ตนอย่างนี้ก็มีสองในนยะเห็นแก่ตัวกับนายยะ ไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็ทนเพื่อผู้อื่นอย่างที่คุณพูดไปแล้วนะมันตัวเองมันไม่มีปัญหาเลยประรัติพัทธาเมชีวิกาชีวิตนี้เนื่องด้วยผู้อื่นพู้อ่นยางเรียกไม่ก็เรียกไม่เรียง ไ, ไม่ไล่ปล่อยให้ตายก็ตายไม่อยากอะไรนะอันนี้จากพรรษะซึ่งเป็นความจริงกับความจําเข้าไปถึงอันที่สาม ก็วิญญาณาไม่ใช่มนโนสเจตน า, าก็มนโนสเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมถานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งเอาอ่านไปแล้วนี่เนาะลึกมากกวชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนี้บุรุษคนหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรัดสุขเกลียดทุกเดินมาบุรุษสองคนเอากําลังจับแขนทั้งสองข้างน่า่าไปสู่หลุมฐานเพลิงทันใดนั้น เขามีเจตนาปรารถนาะตั้งใจอยากจะให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นพ้นเห็นไรเพราะเขารู้ว่าเขาถ้าเขาตกหลุมฐานเพลิงนี้จะต้องตายหรือทุกแทบตายข้อนี้ชั้นใดเราก็กล่าวพึงให้เห็นว่ามโนสเจตน า, าหานชั้นนั้นเหมือนกันนะอริยสาวกกำหนดมโนสเจตน า, าหานได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสมได้ก็หมายความว่า ถ้าผูดด้ใดสามารถรู้ถึงมโนสัจเจตนาหารนี้แล้วก็มีผัสสะได้ผัสสะแล้วก็จะเกิดอารมณ์3เกิดเวทนาเกิดทุกข์สุขกับไม่สุขไม่ทุกข์นะก็จะเกิดเวทนาสามได้เมื่อเกิดเวทนาสามนั่นแหละมันก็จะเกิดตัณหาสามตัณหาสามไม่ใช่เวทนาสามเวทนาสามคือสุขทุกข์อทุกขมสุขส่วนตัณหาสามนั้นคือการมตินาพาะว่าตนาวิภาวะตัณหา เลขสามันเดียวกันแต่ว่ามันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเมื่อจะเราไปติดเวทนาสุขเราก็จะต้องมีตัณหาตัณหาไม่กามก็พบไม่กามาตัณหาก็ภวะตัณหาไม่อยู่ข้างนอกกามตัณหาก็อยู่ข้างในเป็นภาวะตัณหาไม่อยู่กับความจริงก็อยู่กับความจำโอเค เพราะฉะนั้นมีตัณหาอีกตัณหาหนึ่งคือวิภาวะตัณหาตัณฐานี้เลยไม่เอาแล้วไม่ว่าจะพบนอกไม่ว่าจะพบในไม่เอาแล้ววิภาวะตัณหาและจะทําอย่างไรถึงจะไม่มีพบก็ต้องเรียนตามพระพุทธเจ้าสอนมาลางพบมาตามลําดับต่างอบายพบมาเป็นกา ม, มาพบรูปปพบอรูปประพบหมดสิ้นรูปประพบทวนแล้วทวนอีกหมดเกลี้ยงจริงๆด้วยอรูปฌาน สัญญาเวยทยทตั้งในรถทงโหติกำหนดรู้เข้าเคลียอารมณ์รอยเวทนาจบทำเวทนาร0 8ยแจนเที่ยงสรุปง่ายๆเวทนาร0อยแจนเที่ยงศูนย์เที่ยงศูนย์ปัจจุบันและอดีตเที่ยงอนาคตแม้มันจะมีอีกมันก็ต้องศูนย์นี่คือถือความเที่ยงที่สุดยอด อะไรสุดยอดไม่มีเขาไม่มีนะเที่ยงก็ไม่มีนะเที่ยงสุดท้ายนะโหตินี่แหละเที่ยงสุดยอดความเที่ยงเพราะฉะนั้นจะเจตนาก็จงเจตนาวิภาวะตัณหาแ ล, แล้วเราจะหมดพบหมดชาติได้อย่างไรก็เข้าสู่ปฏิจจสมุปบาทคุณต้องเรียนรู้พบชาติในปฏิจจสมุปบาท จะล้งพบได้ก็ต้องมีเหตุมีปจมัจจัยมาจนกระทั่งถึงตัณหาอุปาทานพบชาติเหตุที่มันจะเกิดพบเกิจักเพราะตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานมันจะเกิดจริงๆเป็นตัวจริงเมื่อมีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะเรียนไม่จริงเพราะฉะนั้นคุณต้องมีผัสสะมิโมกแปดด้วยกายเดี๋ยวเธอวันนี้ ไม่ใช่วันนี้งานนี้จะท่านบินบนได้ตั้งหัวข้อให้อัตมาอธิบายแล้วจะได้รู้สัมผัสพิโมกขแปดด้วยกายโฆษณาอยู่ทุกวันในระวันเราไม่รู้กี่เที่ยวตั้งหัวข้อให้ไม่บอกกันเลย <c oughs> แต่ก็ตรงกันอัตมา ก, ก็เตรียมงานนี้อยู่เหมือนกัน <c oughs> ท่านมีท่านมีพบทิพย์อย่างรู้อัตมา <c oughs> เตรียมงานนี้ มีเทศนาปฏิหารเทศนาปฏิหารก็เลยจะบรรยายเรื่องนี้กันให้ดีงานนี้ก็เอาเรื่องนี้แหละสปัตไวมกแปดด้วยกายนี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญของพวกเราแล้วตอนนี้ต้องทําความเข้าใจดีๆสรุปแล้วมโนสเจตนาหารเราก็ต้องรู้การพบเจตนาที่อยากได้กามอยากได้พบมุ่งหมายจะได้กามได้พบ ก็ต้องเข ite, ้าใจกรรมว่าคืออะไรพบคืออะไรก็ตามลําดับพระเจ้ากสอนกามมาพบเป็นเบื้องตน้นเหลือกิเลสเหลือในรูปขอพบรูปขพบก็กรรมมาพบหมดทั้งทั้งที่มีผลสัพทั้งทั้งที่มีผลสัพทั้งทั้งที่มีเจตนาแต่เจตนาที่มันจะต้องมาเสพกามเจตนาที่จะมาเสพข้า ง, งนอกไม่มีแล้วเหลือแต่พบ คุณก็ต้องล้างพบตัวเองอีกที่มันเป็นรูปภพรูปภพล้างรูปภพรูปภพหมดได้คุณก็หมดพบกวิภาวะภพวิภาะไม่มีไม่มีพบแล้วจริงๆเมื่อไม่มีพบแล้วจริงล้างิเลียตัวเหตุของภพหมดจริงเกลี้ยงจริงเลยมันไม่เกิดอีกเที่ยงแท้นิจจทุวังสัตสตังอวิปริณามะธรรมังสังตังสังขปังจริงๆ คุก็อยู่อย่างมันไม่เกิดดีจริงๆยังไ ง, ง, ไงกระทบกระแทกกระเทือนสังขารุเปขากระทบกระเทือนยังไงกับพริสุทธาประโยช์ตาตาโมตุกมามัญญาพภัสรากระแทกกระทุ้งยังไงก็อเนนชาไม่หวั่นไหวเมื่อก็วิภาวะภพเนี่คือวิภาวะภพในการล้างกิเลสหมดสิน้นถูกต้องเป็นโพยษัตว์เกิดวิภาวะภพที่ช่วยเหลือคนอื่นถูกต้องครับมีจะช่วยคนอื่นจะอยู่เพื่อช่วยคนอื่นถ้าคุณไม่ให้ช่วยเมื่อไหร่ก็ บายบายจบจริงนะถ้าอาตมานี้ไม่มีพวกคุณอาตมาก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้อยู่ทําไมจู่ไปก็ไม่เห็นอะไรอาตมาเคยสรุปตนเองว่าโอ้เราเนี่ยชีวิตมันแสนสบายถ้าออกไปอยู่คนเดียวนี่ไม่ยากหรอกอาตมาจะปลูกเผือกไว้รอบที่นอนที่อยู่เนี่ยปลูกเผือกปลูกมันไว้รอบเสร็จแล้วก็ขุดกินมันนี้ไปพวกนี้ก็ขุดกินต่อมาขุดกินต่อมา คุดกินแล้วก็ปลูกต่อนะคุกินแล้วก็ปลูกต่อแล้วก็คุดกินต่อมาคุดกินที่สองปลอมาก็ปลูกต่อคุดกินสามต่อมาปลูกทีต่อมากว่าจะรอบเนี่ยก็มากินหัวนี้ได้ป่อไปใหม่เอาจริงเรียบง่ายมากเลยครับใช่ไหครับแต่ว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นหรอกมาอยู่ช่วยพวกผมดีกว่าอาตมาเคยนึกคิดเออชีวิตนี้มันง่ายจริงๆเนาะ ก็กินเผือกินมันปลูกไว้เงี้ยวันนี้ก็กินหลุมนี้แล้วก็ปลูกต่อไว้แล้วก็ปลูกกินหลุมต่อไปแล้วก็ปลูกต่อไว้กรูกลุ่มต่อไปก่อนมันจะชนอนนี้ไอ้ในหัวนี่ก็โตให้กินละอีกก็กินอีกปลูกอีกกินอีกปลูกอีกจะอยู่กี่ปีล่ะสารบดีพร้มต้องตอว่าว่าโพลิสัตระดับเจ็ดว่าทาแบบนี้ไม่ถูกต้อง <laughs> <laughs> จริงอาตมาเคยคิดอย่างนั้นว่าโอ้ชีวิตนี้มันง่ายจริงมันไม่ยากเลยถ้าจะเป็นฤษีนี่เป็นฤษีไงไปอยู่คนเดียวเราก็อยู่กินอยู่ไปไม่ได้รบกวนใครไม่เบียดเบียนใครเลยอย่างดีก็เบียดเบียนดินเบียดเบียนอาหารเบียดเบียนอาหารดินให้ดินมันสร้างเผือกสร้างมันให้กินหน่อยอหรือไม่ก็ไปเก็บผลไม้ไปเด็ดดินอะไรกินอะไรต่างๆมัน ไม่ยากเลยชีวิตนี้เพราะงั้นวิธีการเนี่ยไปเป็นฤาษีอยู่นั่นเฮ้ยสบมมทมดปกระตองหจจมชยลลไม่เชื่ออย่าลบลูมชยลลใช่ไหมมันไม่ไม่เห็นยากอะไรอภารเจตนา5โอ้ยค่อยไปเจตนาหเจตนาสก็จะต้องรู้การมาตนาเพราะว่าตนาและพิเภกตนาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มีภพตัตหาก็แยกกันไม่ได้ เป็นตัญหาไม่ได้สักอย่างเลยถ้าคืนมีตัญหาถือว่ามันไม่ไม่ได้มันมีกิ่เล็กอยากไม่ได้มันเผลนไปเผลนไปถึงขนาดนั้นแยกตัญหาสามไม่ได้มีเพราะว่าตัหาเป็นตัญหาอุดมการณ์เป็นตัญหาอุดมกติตัญหาที่เป็นความมุ่งหมายปรารถนาที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่เลิ่อยอดพิเศษนะเพราะเป็นตัญหาที่จะลางพบจนไม่มีพบถ้าเข้าใจนี้ไม่ได้ และก็ปล่อยให้ไม่มีตัณหาไม่มีเลยจะต้องทําคนอยู่ดื้อซู่อกลางเฉยเพราะมีตัณหาไม่ได้แล้วจะไปปฏิบัติไปหมดนิพพานเป็นนิพพานได้ไงอัตมาก็เคยเล่าฝรั่งเคยถามคุณคุณจรูงหรือคุณอะไรที่อา่าจรูญพันธ์คุณจรูญพันธ์อา่านั่นแหละเป็นทูตเคยถามอัตมาจาริกไปที่ ทนนอะที่ไอ้แมนซีนั่นอะ่ะอ่าที่แม่นซีนั่นอะ่ะบ้านเขาอยู่แถวแถวนั้นไปปักปลดที่นั่นก็ถามแม่แกเป็นทูตฝรั่งเคยถามว่าไอ้ปรินิพานมันไม่อยากแล้วเราอยากได้ปรินิพานนี่ยมั น, ม, นมันจะได้ที่พานยังไงอะ่ะแกก็งงตอบไม่ได้โอ้จะตอบฝรั่งยังไงว้อจะตอบฝรั่งยังไงอะ่ะ บอกว่านิพพานเนี่ยมันคือต้องไม่มีอยากได้อะไรเลยเอาเมื่อไม่อยากได้อะไรเราได้อยากได้นิพพานแล้วมันจะไปนิพพานได้ไงก็เริ่มต้นมันก็อยากแล้วอะ่ะคุณจะรุนพันธุ์แกก็ตอบไม่ได้ก็แม่บัตเตอรอาตมา ก, ก็เลยอธิบายให้ฟังมันก็ต้องมีความอยากที่จะต้องรู้พบรู้ชาติรู้กามมาพรู้เพราะว่าพบสักก่อนแล้วเราถึงจะล้างพบหมด พรลังพบหมดหมดแนละ้วมันก็ไม่มีพบไม่มีชาติอะไรเกิดกิเลสไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีแล้วทีนี้เราจะอยากก็มีแต่ประโยชน์ผู้อื่นมันไม่มีประโยชน์ตนเลยมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเลยนี่เป็นคนประเสริฐสุดในโลกเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ก็เพื่อผู้อื่นทั้งนั้นคุณอยากได้แม้ละคนอย่างนี้ในสังคมนี่แหละคือหลักสูตรของพระพุทธเจา้าสร้างคนเป็นอย่างนี้แล้วมันมีความสมบูรณ์ตรงที่ว่า หมดตัวตนแล้วก็รู้ว่าความตัวเป็นตัวตนคืออนะรเป็นอมตะ บ, บุคคลเพราะฉะนั้นการยึดเหตุปัจจัยก็รู้จากอุปทานรู้จักความยึดจะยึดอย่างพอดีก็เรียกว่าสมาทาน่วยไว้แต่แค่พอเหมาะถ้ามันยึดอย่างงงๆก็เรียกว่าอุปาทานก็คนที่เอาวิชาเขงคิดอย่างโ ง, ง่คนที่ไม่ง่งแล้วเป็นสมณะแล้วก็ยึดอย่างสมะสมาทานอาศัายอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เข้าใจเหตุและปัจจัยปล่อยวางไม่ให้เหตุปัจจัยนี้มีพลังดูดพลังติดพลังยึดเรียกว่าสลายเป็นนิวตรอนมันไม่มีภาวะต่างตนต่า ง, า ง, างอิสระแยกหมดเลยทุกอย่างก็หมดความเป็นอัตตาทุกอย่างก็หมดภาวะแห่งเชื่อจิต น, นิยามแห่งเชื้อชีวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์โลกศูญมีเพื่อนผมเคยถามว่าไอ้อยู่ศาสนาพุทธ ในว่าหมดความอยากก็อยากเป็นผู้เจ้าก็ยังอยากอยู่เลยในว่าหมดความอยากผมตอบไม่ได้ผ ม, มใช่ใเป็นพระผู้เจ้าและสูงสุดเป็นผู้ที่ช่วยโลกอย่างเต็มที่จริงๆมีประโยชน์ต่อโลกทายเดียวไม่มีโทษไม่มีภัยต่อโลกเลยตั้งแต่พระอรหันต์ไปพระอรหันต์ที่ตน้ต น, ตนก็ไม่มีความรู้ความสามารถโล ก, กวิถีไม่มากกขาช่วยโลกได้เท่านั้นต่อจนมันก็ทำเป็นพระผู้เจ้ามีโล ก, กวิถีมากรู้โลกทุกอย่างเลยรู้ทั้งทุกบุมทุกเหลี่ยมเลย ช่วยโลกได้มากที่สุดและรู้ได้ว่าสุดท้ายนั้นปรินิพานเป็นประโยนสารคืออะไรคือการแยกแค่ธาตุเขาแยก H2O ออกจากกันได้นี่ท่านแยกทานยิ่งอภิมหาปรามาโนของจิตวิญญาณท่านแยกไนดะ้ครับซึ่งจึงไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนธรรมดารู้ไม่ได้อยู่แล้วครับใช่เพราะว่ามันคือภาษามันเหมือนกันแต่ว่าสภาวะจิตมันไม่เหมือนกันเป็นได้ไหม รู้ภาษาได้ก่อนเป็นสาวะกระพุมแล้วก็ไปปฏิบัติให้เป็นปเจกระภูมให้คนตัวเองให้ได้สำเร็จบริบูรณ์น ะ, ะสรุปมโนสันเจตนาหารก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เมื่อเราต้องการที่อาตมาเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีตัณหาท่านตอบกับมานว่ามารบอกว่าอาท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตายซะสะิในมหาปฏิรูปานสูตรเนี่ย พุทธเจาบอกคุยเรายัางตายไม่ได้หรอกมานเรายังไม่ได้สร้างาศาสนายังไม่ได้สร้างคนให้เป็นคนที่รู้จักจำแนกบัญญัติแล้วก็สามารถปรับปรวาท่สามารถที่จะแข็งแรงรู้อะไรอะไรเราจะสร้างสังคมช่วยมนุษย์โลกต่อเป็นอีกให้อย่างสมบูรณ์ซะก่อนเราถึงจะตายมานันมันงั้นเราไม่ยอมตายหรอกยังไม่เฉียบแล้วยังไม่เปิดเผยยังไม่ ต, ต, ตั้งแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยจำแนกก็ทําให้ง่ายไม่ไ ด, ไได้ยังแสดงธรรมพิมพ์ปฏิหาร ข่มขีประรับประวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมพิจไม่ได้เพียงใดเราจะยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ดื้อดึงดันจังเลยจะให้ตายก็ไม่ยอมตายบทนี้ผมว่าศาสดาพุทธที่เป็นคนที่เป็นพระอรหันต์แ้วเข้าใจผิดเนี่ยน่าจะอ่านตรงนี้ พระว่าพระอรหันต์เราไปเฉยเฉยเนี่ยมันตรงข้ามพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าท่านยังขนไควขนาดนี้และพระอรหันต์กระเจอกกระเจาะไม่ได้ทำมันจะเป็นไปได้ยังไง อ, อย่าให้ไปอย่าไปดนันไปยุบพระอราหันต์ดูไม่ใช่พระอราหันต์ยิ่งไม่ใช่พระอราหารันต์จะไปยุให้ยากทำ อ, นะอยากช่วยมนุษย์ไอตัวโ ง, ง, ง, ง่ๆแล้วไปช่วยมนุษย์มันถึงบรรลัยทุกวันเนี้ยครับทําให้บรรลุธรรมก่อนทําคนเราสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจงไม่โมมองนะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเห็นความจริงของพระพุทธเจ้าอย่างนั้น ตกลงเมื่อบรรลุแล้วหมดพบกามาพบพราะว่พบเกลี้ยงจริงแล้วไม่มีพบจริจงๆแล้วมีตัณหาอุดมคติอุดอุดมการได้อยากจะทํางานช่วยผู้อื่นมันช่วยจริงๆเพราะว่าไม่มีตัวตนจริงๆจึงช่วยผู้อื่นอย่างไม่มีอคติอย่างมีคุณภาพตามสมรรถภาพตามความรู้ความสามารถของผู้นั้นผู้นั้นนี่คือมนุษย์ตามหลักสูตรทฤษฎีของพระเจา้าที่สร้างคนในแก่นโลก เป็นคนอย่างเนี้ยเอาไหมล่ะเอาครับคุณเอาไหมเอาครับเอาให้ได้เอาให้สมบูรณ์เพราะเราเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิจจโพธิสัตว์เป็นนิจจโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์ไปจนกระทั่งเป็นสมมาสัมผลที่ยานสมบูรณ์แบบเป็นพระพุทธเจ้าก็มากรอเกิดเป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือไม่เกิดจะรีทายตนเองเมื่อใดก็เชิญเพราะพระโพธิสัตว์ที่เป็นมหาสัตว์ที่เข้า คิวไว้จะมาเป็นบุตรเจ้าแต่ยังไม่ได้บอกไม่เอาแล้ววันนิพผ่านไปก่อนพระมหาโพธิสัตว์องค์ที่ท่านไม่มาสร้างแล้าาศาสนาไม่ต่อคิวแล้วเลิกท่านก็วัินี้ผ่านไปไม่น่าจะเลิกนะต่อคิวแล้วเนีเเ่เอาเลยเอาเลยดีแล้วละ่ะองค์นี้จะได้ไปแทนพระ อ, โอวโลกโ ก, กิตเตสวร ไม่ครับต่อคิวไหมความว่ า, าแบบพระฤทธิท์ฤทธุมผมไม่เอาครับไม่เอาถึงกันพระโอรสอง์กินเนสวนเนยไม่เอาครับ <laughs> ผมดูพระครูผมก็เห็นว่าเหนื่อยมากครับอ้าวอเาอ า, อ า, อ า, อาละพอสมควรก็เป็นอันก็เข้าใจน ะ, ะมะโนสนเจตนาหารก็มีถึงขนาดนั้นเพราะฉะั้นถ้าไม่เช่นนั้นคุณไม่รู้อะไรผิวหนังของคุณก็ว่ไม่ใช่ลุมตานเพลิงของคุณคุณก็จะต้องไม่อยากตกอยู่แต่แต่คุณก็ตกได้เพราะว่าคุณไม่มีตัวตนแล้ว ไฟอะไรก็ไหม้ไม่ได้หรอกไหม้ไม่ถูกตัวตนเพราะไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่กระทบเลยยิ่งก็มีผิวหนังไม่มีผิวหนังผิวหนังไม่มีผิวหนังเนี่ยมันยังรับไอ้นี่ไม่มีตัวตนเลยเพราะฉะนั้นใครจะมาจับแขนอะไรยิ่งก็อินวิสเบลแมนจับตัวไม่ถูกตัวยิ่งกันนิวตรอนยิ่งกับอินวิสเบลนะไม่มีเลยอะไรก็ไม่มีเลย เป็นผู้ที่มีแต่ไม่มีนี่คือความพูดที่จบแล้วจับตัวก็ไม่ถูกตัวอย่มีแต่ไม่มีไม่มีแต่มีจบพระบุตเจ้าถึงจะตัดไปในปฐมโรสหกเนี่ยข้อ43สมนุษย์อยู่ก็รียว่ามก็มีก็ไม่มีนี่แหละเนมนุษย์เนี่ยอาศัยอันนี้แหละเนี่ย ไอ้ถามในข้อสี่สิข้อสอบบวบบดีไม้ม <c oughs> ไม่มีแต่มีคือีแลนี่แหละนี่แหละ <c oughs> ไม่มีอ่าทวนทวนทวน <c oughs> สำคัญนะด <c oughs> ูรกระกระจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่งก็เ ม, มื่อบุคมมคลเห็นความเกิดแห่งโลกหรือบรคสมุทรไทยด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้ว ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีนเนี่ยเจะเข้าใจอันนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกคือโลกนิโรธด้วยปัญญายิ่งชอบตามที่เป็นจริงแล้วความมีในโลกก็ย่อมไม่มีจบที่ตรงไม่มีทั้งคู่จบที่ตรงไม่มีทั้งคู่ณโหติทั้งคู่อ่าเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีภูมิธรรม ยังไม่มีภูมิธรรมความไม่มีในโลกคุณก็ไม่เข้าถึงพูดที่มีภูมิธรรมแล้วคุณจะเข้าถึงความไม่มีในโลกก็สบายมากจบที่ไม่มีจบที่ไม่มีเห็นไหมคนมีกิเลสไม่มีเข้าถึงความไม่มีในโลกไม่ได้ไม่มีความไม่มีในโลกมาถึงอันนั้น คนไม่มีกิเลสความมีในโลกก็ไม่มีเข้าถึงโลกก็ได้ไม่เข้าถึงก็ไม่มีเลยชูเป็นศูนไปเลยก็ได้ครับเห็นไหมสุดยอดมาโอ้โหมาเอาได้ไงเนี่ยได้ฟั ง, งได้ไงก็เรื่องเข้าใจได้ยังไงเพราะว่ามีคนสอนดีครับ<笑><笑>โอ้โ ห, โหมีคนฟังดีฉลาดฟังดีขอบคุณครับ มันจะหมดเวลาอีกหนาทีนียังเหลืออันสุดท้ายเอาเร็วหน่อยเนาะวิญญาณอาหารคงจะไม่ยากก็วิญญาณอาหารพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้มากระทำผิดใต้ฝ่าละอองธุลีประบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกา้าให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ ไปเธอเพาะจงประหารมันเสียด้วยห อ, อกร้อยเล่มในเวลาเชา้าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยประหารนักโทษนั้นด้วยห อ, อกร้อยเล่มในเวลาเชา้าต่อมาเวลาเที่ยงวันพระราชาสักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญเจ้าเจ้านักโทษคนนั้นนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาก็พากันกราบทถวายขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่แต่ตามเดิมจึงมีรับสั่งว่าเอาไ ป, ไปประหารในเที่ยงนี้แหละนะโดยห อ, อกร้อยเล่ม เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษเหล่านั้นได้หอร้อยเล่มในเวลาเที่ยงต่อมาตกเวลาเย็นพราเจ่อข้าอย่างไรก็ไม่ตายเพราะว่ากิเลสมันยืนจันจันมีบากนี่มันขั้นจริงๆนะเมื่อไรมันจะหายเมื่อเ่ใดก็เมื่อนั้นไม่ต้องไปงดงิด พวกผมเป็นพระหรหันเนี่ยพระครูบอก <c oughs> โอ้โหยาชาเนอะถ้า <c oughs> งั้นก็รีบๆยาชาพระราชาก็ทรงทักถามว่าเจ้านักโทษนั้นก็บอกว่ายังไม่ตายยังคงเดิมพระราชาก็สั่งให้ไปเพ้ะไปประหารมาสเสด้หอร้อยเล่มในเวลาเยน็นน่ะภิกษุเหล่านั้นก็เอาไปประหารอีกน่ะภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจความ ข้อนี้เป็นฉไหนคือว่าเมื่อเขากําลังถูกประหารด้วยหอกรอยเล่มตลอดวันอยู่นั้นตลอดวันในราชากลงวันเย็นจะพึงเสเวยแต่ทุกโทมนัตซึ่งมีกมีการประหารถูกทุกด้วยขูกกับประหารทั้งเชา้าของวันเย็นเลยนั้นเป็นเหตุนั้นเท่านั้นหรือเท่านั้นไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากําลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกรอยเล่มเออมันด้วยหอกแม้เพียงเล่มเดียว ก็พึงเสเวยความทุกโทมนัตซึ่งเป็นการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่เมื่อเขาถูกประหารอยู่ด้หอกสามร้อยเล่มเล่าข้อนี้ชั้นใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณเห็นวิญญาณนาหารชั้นนั้นเหมือนกันเมื่ออริยะสาวกกำหนดรู้วิญญาณได้แล้วไปก็เป็นการกำหนดรู้นามรูปได้แล้ว เมื่ออริยสัวกกําหนดนามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดอริยสัวกจะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วไอ้ประโยคอั น, นหลังๆที่ท่านแปลํานวนนี้เนี่ยอาตมาอยากจะก ล, า, กลาวกลาว่ากําหนดรู้อันนี้ได้แล้วแต่และอย่างแต่และอย่างนี่ตั้งแต่กวามลิงคาลาหารก็ดีภาษาหารก็ดีมโนสัญเจตนาหารก็ดีวิญญาณนาหารก็ดีสรุปด้วยคํานี้ทั้งนั้นครับมันน่าจะเป็นว่านะ เมื่ออริยะสาวกกำหนดรู้นะไม่ว่าจะเป็นรู้กัเวลิงกรลาหาน ร, รู้ปัต ส, สาหนา ร, รู้มโนสัจเจตนาหานหรือรู้วิญญาณหานนี้ได้แล้วโดยกำหนดรู้นามรูปนี้ได้แล้วอริยะสาวกกำหนดนามรูปนี้ได้อย่างนี้แล้วเป็นอันสามารถศึกษาได้อย่างถึงบริบูรณ์ไม่น่าจะบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยะสาวกพุ่ทตามไยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ด้วย <พอ S 1> ความรู้นะเพราะถ้าพูดถ้ากำหนดอย่างเงี้ยมันคือบรรลุธรรมแต่ว่าถ้าเกิดพออย่างพวกครูคือต้องปฏิบัติเพิ่มก็มต้องปฏิบัติเพิ่มครับไม่งั้นไม่มีลูกต่อไงครับพอรู้แล้วเสร็จแล้วก็จบจบเลยเอา้าวก็เลยกลายเปตีกินพวกตะกะชอบบอกว่าได้แล้วสโลงนี่ถึงที่สุดแล้วก็เลยไม่ไถ้าเาว่ากระจกนี้ขัดให้สะอาดมันก็ สุดแล้วมันก็สะอาดใสไม่มีแ ม, ง ม, มงมีมัวมีอะไรเลยอีกคนนึงก็บอกถ้าไม่มีกระจกเลยก็ไม่ต้องขัดเลยใช่ไหมก็ได้แต่แค่นั้นนะครับแสดงว่าห่วงโปครับภูมิคนแปนะคือมันก็ได้แต่แค่นั้นเป็นสะดกเป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุผลเฉยๆนะมาสรุปแล้ววิญญาณอาหารต้องรู้โดยนามรูปต้องอ่านวิญญาณให้เป็นสรุปจบแล้วนี่เวลาหมดแล้วต้องอ่านวิญญาณให้เป็น คุณจะอ่านวิญญาณเป็นคุณก็ต้องมีญาณมีความรู้มีความฉลาดอ่านอาการนั้นเรียกว่าถูกรู้ตั้งแต่หยาบข้างนอกจนถึงข้างในตั้งแต่ความเป็นสภาพข้างนอกตังสภาพข้างในทั้งความจริงและความจําอ่านได้หมดอ่านออกหมดอ่านรู้หมดนั่นคือคุณรู้นามมารูปของวิญญาณแล้วก็แจกวิญญาณออกไปเต็มที่สารพัดที่มันจะมีวิญญาณ จนรู้ว่าวิญญาณสัตว์ตั้งแต่สัตว์อบายสัตว์กามกามสัตว์รูปสัตว์อรูปสัตว์จนหมดความเป็นสัตว์เพราะรู้องค์ประชุมของสัตว์ตามสัตววาด้าบข่าเหตุแห่งความเป็นสัตว์จนสัตว์นั้นตายหมดเกลี้ยงไม่เหลือความเป็นสัตว์เลยเป็นมนุษย์โซผู้มีจิตสูงสมบูรณ์แบบก็คือผู้รู้จักวิญญาณ เอาละหมด <จบ S 2> เวลา <จบ S 2> ผมสรุปโดยไม่มีเวลาเชิญขอบคุณครับวันนี้ฟังนี่ตมาแทบไม่ระเด็นโน้ตเท่าไหร่เพราะว่าพอาะอมาจำเรื่องนี้ได้ก็พอละท่านนักที่ทานก็จำได้แต่ว่าอธิบายไม่ได้เท่ากับพ่อครูแน่นอนร้อยเอร์เซ็อธิบายให้ได้จะได้อธิบายช่วยผมมั่งครับแต่ว่าฟังวันนี้เนี่ยเออได้เข้าใจความจาที่เป็นทุกข์ได้มากขึ้นนะ พอดูแล้วเนี่ยคือคนเราเนี่ยยึดมั่นกับความจำเนี่สูงมากอาตมา ก, ก็เป็นเราสึกเราอาตมาเราสึกทรมานกับเรื่องนี้มากเอ้ยทําไมมันไม่ดูแล้วรู้ล่ลอสักทีพระพุทธเจ้าก็ตรัสตรัสว่าความจํานี่แหละมันลางยากกับความจริงครับมันเป็นภพที่ทรมวนเราตลอดเวลาแล้วมันช้ามันนานเพราะอับมันกวนแล้วก็มันก็เอ๊ะทําไมมัน ทำไมมันไม่รู้จักเท่าักรอดแต่ที่มันมาอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันเป็นวิบากที่บนเวียนวันนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าความจำไม่ใช่ความจริงเพราะว่าเราไปกำหนดหมายอุปทานว่าความจํามันคือความจริงอ้าวไปใหญ่คราวนี้พงไปใหญ่คราวนี้ทรมานครับอีกเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสิ้นทัทีเนี่ยวันนี้ถ้าเข้าใจความจริงมากก็เออความจําไม่ใช่ความจริงจิตมันจะก็ฟังมาเยอะแต่ว่ามันยังไม่คลายมันยังไม่เข้าใจมันทจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ ไอ้ความจำเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยทั้งข้างนอกทั้งหมดเป็นความจริงอยู่ในข้างนอกจริงเพราะงั้นเราทําความจริงข้างนอกนี่สมบูรณ์แล้วเหลือแต่ความจําความจําก็เหลือสิ่งที่จะต้องตรวจความจริงแก้ความจริงนั้นให้หมดจบไปเลยว่าไอ้ความจริงที่มันยังเป็นเชื้อสัตว์อยู่เท่าอีกเท่าไหร่ล้างความเป็นสัตว์นั้นหมดในความจําอีกเกลี้ยงตกลง เหลือแต่ความจริงที่มันสักแต่ว่ามีอยู่ไม่ไปกับความจริงข้างนอกโดยความจริงข้างใ น, งในครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมกันไปอีกอซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากนะแล้วก็มีรายละเอียดนะหลายอย่างที่องค์ประกอบที่แต่มาได้ฟังในะสิ่งที่แปลกใหม่หนึ่งความจํากับความจริงก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าความจํามันไม่ใช่ความจริงนะที่เราหลอกตัวเราอะ่ะเราหลอกตัวเราเองอะมโนโจริงๆเลยคือเรามโนโจนเราเวียนหัวนะ่ะ คือเราโมโนตัวเองเหมือนคนบ้านะนะมั น, ม, นมันเพราะไม่ปกติของจิตที่มันเป็นโมโนตัวเองแล้วก็ทำให้เราทุกข์ทรมานแล้วมันก็อีกอย่างก็คือสิ่งที่คนที่บรรลุธรรมแล้วก็อย่างพ่อครูเนี้ยเป็นโพธิสัตว์เนี้ยคือเราได้ทราบซึ้งว่าท่านต้องทนเพื่อมนุษยชาติเ <c oughs> สียสละตัวเองเพื่อมนุษยชาติธรตมาก็ดูพ่อครูช่วยเหลือมนุษยชาติท่านก็ต้องทนะ แต่มาฟังพระเจ้าเรื่องราวท่านท่านก็ต้องทนต่อมนุษย์ชาติความลบาบากของทท่านก็ได้โอ้โหคนเหล่านี้คือเกิดเป็นโบริสัทไม่เห็นมิจะมีความสุขสบายเลยก็ช่วยมนุษย์ไปหมดเลยนะอะไรก็ไปช่วยเขาบุริงบุริงไปเต็มที่ปไปเงี้ยก็ยังเกิดมาที่จะช่วยคนช่วยคนช่วยคนแต่มาว่าโอ้โหเป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่เสียสละมากนะบังเงนินเงียงเป็นผู้รีทายกลางทางเยอะไงพระบริษัท ครับผมไม่ถึงผมเรื่อเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าผมไม่ใช่ทีเข้าใจอะไรผมดูคือพรุ่งี้นาถึงความลาบากของพวกครูกับความลำบากผู้เจ้าเที่ยวนี่มันเป็นตังแน่จริงวันนี้จะไปถึงแล้วรอรอดฟังคือผมก็ดูพระมหาชนกก็ลําบากอีกใช่คือทําไมมาพริษัทเนี่ยมันยิ่งคุยความลำบากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพมเพมขึ้นยิ่งใหญ่ถ้าหลัยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นแสดงว่าท่านทรงที่จะทนต่อเพิ่มมนุษยชาติจริงๆเลย อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าสมมติว่าเออเราเป็นผู้ที่ท่านขนขวายช่วยเหลือเนี่ยไปนิ่งดูได้ไม่ขนขวายท่านก็สอนแล้วสอนอีกเนี่ยบําเพ็ญก็ไม่บําเพญ็ญเพียนก็ไม่เพียนก็ฟังไปแล้วก็เออเหมือนจะตั้งใจฟังดีกลับไปก็ไม่ปฏิบัติทําอีกไปลุล่ยอะไรแบบนี้แต่มาว่ามันก็ทําบาปให้กับตัวเองแล้วก็เป็นภาระของกับบริษัทที่จะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราทําตัวให้มันเป็นเข้าถึงความจริงให้มากขึ้นในสัจจะที่ได้เนี่ย ลดกิเลสได้มากขึ้นมากขึ้นตามที่ท่านสอนเนี่ยอตาตมาว่าเราก็ได้ช่วยตัวเราเองให้มากขึ้น 2. ก็ได้ช่วยบริษัททางานให้ให้ได้ไหวขึ้นสมมนุษยชาติก็ได้ผลประโยชน์จากตัวเราไปด้วยแล้วโลกุตรานี่มันก็เป็นไม่ใช่คนที่ลักษณะที่ว่าด่า ด, ดื่นโดยทั่วไปอตาตมาได้เข้าใจว่าไม่ได้ด่า ด, ดื่นทั่วไปพระครูก็สอนเฉพาะคนในใ น, ในพระไตรปิฎกท่านบอกอริยาสาวกนะท่านไม่ได้บอกวจิชนทั่วไปที่ฟังนะในเรื่องนี้ คือคนที่มาฟังนี้รู้เรื่องนี่คือต้องเป็นอริยาสาวกมันไม่ใช่ว่าคนธรรมดาด่าดื่นทั่วไปมันเป็นคนพิเศษที่จะฟังเรื่องพิเศษแล้วก็บรรลุธรรมถึงความพิเศษในจิตจริงๆให้ได้จริง ๆ, ส, งๆสิ่งเหล่านี้อาตมาว่าถ้าใครเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยและเข้าใจว่านี่แหละคือภูมิปัญญาโพธิสัตว์ที่จะสอนตัวเราให้บรรลุธรรมมากยิ่งขึ้นยขเ้าก็ช่วยเหลือมนุษยชาติได้มากยิ่งขึ้นคนมนุษย์ชาติที่เป็นโรคุตระน้อยนี่แหละอาตมาว่าจะช่วยมนุษยชาติได้แท้จริง นะไม่ใช่ความดาดเดินไม่ใช่เทศแบบไปเรื่อยในไปไหนไปไหนแต่มาว่าไม่เป็นเงินแตมาแต่ก่อนก็สงสัยทําไมพวะครูไม่ไปเทศโอ้คนมากมายมหาศาลเออเขาเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อคนเป็นโรกุตะอริยบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่คนมากมายมหาศาลมันเป็นคนเฉพาะพิเศษและก็เป็นให้ได้จริงๆแต่คนเหล่านี้ถ้าเป็นได้จริงแล้วเขาเรียกว่าช่วยมนุษย์แบบให้ยั่งยืนยาวนานตลอดไปทั้งชาตินี้ชาติต่ อ, ตอไปจนกว่าจะเป็นพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่ ดีที่ทําได้ก็ต้องขอขอบคุณพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับและก็อนุโมทนาพวกเราทุกคนว่าหวังว่าพวกเราจะเป็นอริยาสาวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์กันทั่วทุกคนจนกว่าจะไ ด, ได้เป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าใช่ไหมครั บ, <laughs> รบตกลงครับ <laughs> <laughs> จเจริ่มทำทุกคน